อาจารย์ครับกล่าวนามาสการครับผมเลยก่อนคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์วันนี้คนฟังธรรมเมื่อตอนบ่ายตั้งรวมกันพันเจ็ดสิบสองคนนะครับอาจารย์อา <c oughs> อาจารย์ยังไม่เหนื่อยนะครับไม่เราได้ไม่ไทยได้เลยได้ครับอาจารย์ครับผมได้ยินพระอาจารย์เวลาสอนก็มักจะพูดอยู่คํานึงว่า อย่าเป็นทพีในหม้อแกงผมก็เลยเลยอยากจะขอความหมายคําว่าทพีในหม้อแกงเนี่ยให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่ในช่องนี้ได้ฟังด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็นอกจากความหมายแล้วผมขอกราวเตือนถามพระอาจารย์ว่าเราทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นทพีในหม้อแกงด้วยนะครับขอขออุบายครับพระอาจารย์ครับก็คือการศึกษาธรรมะเช่นการฟังธรรมี้ต้องมีลักษณะของ กายวาจาใจที่สงบคือร่างกายก็ไม่เคลื่อนไหวไม่ทำอะไรวาจาก็ไม่พูดคุยกันใจก็ไม่คิดเรื่องราวต่างๆให้จดจ่อยอยู่กา ร, รทำทำนี่คือลักษณะการทำทำที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จะได้รู้เรื่องของธรรมที่เราฟังถ้า ถ้าไม่ได้รับประโยชน์คือถ้าไม่เข้าใจในบางเรื่องก็อาจจะไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าตั้งใจฟังแล้วไม่ไปคิดอะไรก็ใจก็จะสงบไดจากการฟังเป็นแบบไดสมาธิบางทีก็ <Okay. S 1> ได้ทั้งสองอย่างคือเข้าใจด้วยใจก็สงบด้วยเพราะปัญญานี้มันแล้วแต่ความสามารถของผู้ฟังแล้วก็ทำที่ได้ฟังตอนนั้นว่าอยู่ในระดับไหน อยู่ในระดับใกล้เคียงที่ตอนเองกำลังปฏิบัติอยู่ก็อาจจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดที่สูงกว่า น, นี้ก็อาจจะไม่เข้าใจกไ็ได้แต่ก็ไม่เสียหายตรงไหนก็เป็นการฟังไว้นุ่นมาก่อนแล้วเผื่อเวลาปฏิบัติไปต่อไปเมื่อเข้าไปถึงจุดนั้นก็อาจจะเข้าใจได้อนลนักษณะของการฟังแบบเป็นลิ้นกับแกงคือรู้รสชาติลิ้นนี้เวลามี น้งแกงแต่น้งแกงหยดเดียวที่นิ้นก็รู้แล้ว่าแกงนี้เป็นแกงจืดน้่แกงเผ็ดน้งแกงหวานนะแต่ถ้าเป็นรับพีเนต่อให้แช่อยู่ในหม้อแกงเป็นปีก็จะไม่รู้รสชาติของแกงว่าเป็นแกงอะไรอันนี้ก็คือแล้วผลของการฟัาธรรมแบบใช้กายวาจาใจไม่สงบเคื่อนกายก็ทํางานนั้นอื่นไปทําไปด้วย เราก็วาจาก็จะนั่งคุยกันที่เราคงจะเห็นเวลาที่เราไปงานงานส่งงานอะไรก็จะมีการแสดงทําให้ฟังกันแต่ส่ญญวนใหญ่ผู้คนไม่ได้ฟังหรอกเขาคุยกันปน ม, มือแล้วก็หันหน้าอ่าถามคุยถามสารทุกข์สุขเดือดอะไรกันต่างๆกันไปมันก็ยังไม่ได้รูเรื่องว่าพระท่านกำลังเทศอะไรอยู่กำังพูดเรื่องอะไร อมัวแต่คุยกันหรือบางคนอ่จจะไม่ได้คุยกันแต่นั่งแรับประจายลอยคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องปัญหาต่า ง, งๆที่มีอยู่ในใจของตัวเองก็ไม่รู้เรื่องว่าท่านเท้ศรู้ตัดตอนว่าท่านว่าเอวังอาสาทุก็เกลียดแบบอย่างนี้เป็นแบบพวกทัพพีในหม้ อ, อกแก่หันแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไร ถ้าไม่รู้เรื่องแล้วจะเอาไปปฏิบัติคำปฏิบัติไม่ได้ครับปฏิบัติไม่ถูกแล้ว่าปฏิบัติไม่ถูกลดแห่งธรรมคือการบรรย์ธรรมก็ไม่เกิดขึ้นการสัมพันธ์ลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงก็ไม่เกิดขึ้นเกิด ข, ขึ้นไม่ได้ก็จะเป็นเหมือนทัพทีในหม้อแกงครับควจะเข้าใจนนนี้ครับพอเข้าใจแล้วครับแล้วเราจะ คือนอกจากว่าเรามีอุบายนะครับพระอาจารย์ว่าเราจะทํำยังไงถึงจะได้ตั้งใจฟังทำได้ให้ทําเข้าถึงใจเราจริงๆอย่างเงี้ยครับ้็เราก็ต้องชอบเราต้องยินดีนะในเรื่องของธรรมเหมือนกับที่คุณหมอชอบเรื่องอะไรนะี่้าใจก็จะจดจอ่อฮะคุณหมอชอบอะไรวิชาทางทางแพทย์ที่เป็นหมอชอบเนี่ยเขมีวารสารวิรายมาก็มัมมนก็นจะเปิดอ่านใจก็จะจดจอ่อ จะไม่ไปคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆแลนะ้วอ่านเพื่อใเกิดความเข้าใจใช่ไหมครับอันนี้ก็แบบเดียวกันการฟังธรรมหรือการศึกษาธรรมก็ต้องเป็นแบบนั้นถ้าเรามีความสนใจในธรรมมีฉันทาวิริยะนะมีนิธิบาสีฉันทาวิริยะฉันท้าก็คือความความยินดีดีใจพอใจที่ได้อ่านได้ฟังเรื่องที่เลาที่เราชอบ พอเราเปนความย็นดีความเพียนเข้ามาเองอยูขยันดูหนังสือขยันฟังมาแล้วใจเราก็จดจ่อใช่ไหมจิตต์แปลว่าจดจ ด, จดจดจ่อมีสมาธิในการฟังมีสติในการฟังใช้จดจอ่อมิมังษาใจก็ค่ายควรคิดไปตามเรื่องที่เรากำลัองอ่านอยู่บองทีอ่านแล้วเราต้องค่ายควรด้วยถึงจะเข้าใจ <S <S ใช่ที พอ่านแล้วบางทีถ้ายังไม่ได้ค่อยควรพิจารณาตามก็ยังอาจจะไม่เข้าใจอยาอกลองพิจารณาตามด้วยนีย่เรียกว่าวิมังสายังการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรมรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมนี้จะเป็นจะต้องมีอิทธิบาทสี่อิธิบาทสี่ก็คือฉันท่าชอบยินดียินดีทำยินดีในร้อยแห่งทำพูดต้องยินดีก็ เพราะเราการจะเกิดความยินดีดกับฉันทัศขึ้นมาก็ต้องได้ยินข่าวข่าวเรื่องของธรรมะว่าวิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้ถ้าเราเกิดวันดีคืนดีไม่ได้ตั้งใจฟังธรรมแต่อาจจะไปงานท่งงานารแล้วก็นิมนต์พระที่เทศเก่งพอเราฟังแล้วเอ๊น่าสนใจก็อยากฉันทานขึ้นมาเราสานี่นำไปฟังธรรมจากพระที่ปฏิบททัติดีปฏิบททัติชอบ เราที่บรรลุนะเป็นความจากพระพุทธเจ้าฟังจากพระอรหันต์นี่ท่านพูดแบบแบบแบบชัดเจนเนี่ยตรงไปตรงมาไม่ไม่อ้อมค้อมไม่อะไรพูดแล้คนฟังก็เกิดความเข้าใจได้อย่างง่ายดายเข้าใจได้เห็นประโยชน์ของของธรรมว่ามีประโยชน์อย่างไรมันก็เกิดฉันทะขึ้นมาเกิดความยินดีเกิดความสนใจที่ที่อยากจะศึกษาเพิ่มมากขึ้น เมืมีความสนใจแล้วทีนี้ความเพียรนั่นก็มาเองค้นคว้าหนังสือเองอย่างยกตัวอย่างสมัยที่เราได้อ่านหนังสือธรรมะเล่มแรกที่ได้มาจากประเทศศรีลังกาเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องมันตายรักเ น, น, นี่ยอนิจจารต้ขาเรื่องตาเล่ม แ, แรกเกี่ยวกับเรื่องอ น, นี้จ่าเพราะอ่านแล้วว่ามันประทับใจมันก็เลยเขียนเขียนไปขอหนังสือจากที่ที่แหล่ที่เขาแจกหนังสือพวกนี้เขา มีทั้งแจกฟรีและมีทั้งขายหนังสือเล่มเล็กๆเนี้เป็นก็จะเป็นหนังสือแจกฟรีก็เขียนไปขอมาเพิ่มเพราะมันเป็นมันเป็นสามเล่มเลยมันทางเล่มแรกมันเกี่ยวกับนิจจันตตาทุกขรั้งมันยังยังไม่ได้อ่านก็เลยอยากจะอ่านต่อเหมือนก็บอ่านนิยายยังไม่ต่ออ่านตอนแรกแล้วชอบนิยายเลื่อนี้ก็รอตอนที่สองตอนที่สามจะชอบได้แล้วก็ต้อง เราก็ต้องจดจ่อกัการอ่านใช่ไหมน่าเกิดความเข้าใจรู้เรื่องราวต่างๆที่งานหนังสือนั้นบ่งบอกไว้อันนี้แล้วก็คือเวลาอ่านหนังสือต้องใจต้องมีสมาธิหรือสติอยู่กัการอ่านหนังสือใจลอยไม่ได้ถ้าใจลอยอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนักเรียนที่เรียนแล้วไม่เก่งก็เพราะใจอ้อยอ่านหนังสือแล้วใจลอยไปคิดเรื่องอื่นไปคิดเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆ มันก็เลยทำให้อ่านไม่เข้าใจอ่านไม่เข้าใจก็เลยไม่สนใจไม่ไม่อยากจะเรียนไม่รู้อาจไปแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแล้วเวลาสอบก็ได้คะแนนไม่ดีเน้ออาจจะสอบตกมันก็เลยทำให้กระบวนการการศึกษานี่หยุดชะงักลงไปแต่ผู้ที่สนใจมีใจจดจอดตั้งใจเรียนตั้งใจฟังครูอาจารย์สอน ไม่กลัวอาจารย์พูดอะไรเข้าใจถ้าไม่เข้าใจย่องมือถามต่อวั mm hmm. นนี้อาจารย์พูดนี้ผมไม่เข้าใจครับช่วยอธิบายหน่อยอันนี้เป็นลักษณะ ข, ของคนที่มีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอยากจะเรียนรู้จริจรงๆไม่ได้เรียนตามตามถูกภา ค, คบังคับคือพ่อแม่ก็บังคับให้ไปเรียนอย่างนี้ถูกบังคับเรียน่บางทีใจคนบางคนไม่ชอบเรียนก็อาจจะเป็นเพราะว่า อินทรีย์เขาไม่แก่ก้าวพอเพื่อสติเขาอา จ, จะมีไม่มากเรียนแล้วไม่เรื่องๆเขาเลยไม่อยากจะเรียนอยู่แ้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเราต้องเราต้องมีความยินดีทําในสิ่งที่เราต้องทําถ้าเรามีความยินดีแล้วมันจะทําได้ผลดีความเพียรก็จะมาสมาธิเพื่อสติใจจดจ่อๆอยู่กับการเรียนวิมังษาก็ไข้ควรอยู่กับเรื่องของ ที่สิ่งที่เราดรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามสร้างอิทธิบาสิขึ้นมาับตัวแรกฉันท่านี้ก็ต้องอาศัยจากการที่เราไปได้ยินได้ฟังได้สัมผัสกับคําศัพท์คาสอนที่ที่ประทับใจเราฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ทําให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็จะทําทให้เรา ก็อยากจะจะเรียนเพิ่มขึ้นอยากจะรู้มากขึ้นการทธรรมจากพระอริยะหรือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนทั้งหลายเนี่ยมันทำให้คนเกิดเกิดศรัทธาขึ้นได้เกิดฉันทะวิยะขึ้นได้แา่จากการฟังจาพระที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็เอาใบลานมาอ่านี่ย บางทีตวเองคนอ่านเองก็ไม่เข้าใจแต่ก็อ่านไปตามใวลานตามที่เขาเขียนมาอันนี้คนฟังก็จะฟังไม่ค่ยเข้าใจเท่าไหร่ก็เลยไม่เกิดฉันทะวิริยะเกิดความมีดีที่ยาศึกษาเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้ก่อนพระอาจารย์เข้ามาผมก็บอกเพื่อนๆครับว่าผมมีฉันทะไปตามพระอาจารย์พันหนังสือเรื่องนี้ยพระอาจารย์ มาเสรษฐีที่แท้จริงนะใช่ครับพระอาจารย์ครับ <Ừ. S 1> นี่เล่มแรกเลยครับมีคนเอามาให้แล้วผมก็เลยอ่านแล้วผมก็เลยไปตามหาพระอาจารย์เลยครับเรืองความดีหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้เกิดจากการที่เราเป็นคนรวบรวมเองนะครับผมเคื่อมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งมีเขามีศรัทธาอยากจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติของเราก็เลยมอบหมายให้คนที่เขาทางานลงเพิมะ์ นั่นคนที่เขาอ่านหนังสือเราเราหมดเลยทุกเล่มโโอเขาก็เลยไปค้นมาจากกันแล้วเล่นเรื่องที่เราคูดเรื่องราตา่างๆที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยคเขาก็เป็นคนมาเง่งซึ่งมันมีอยู่กระจายอยู่หลายเล่มด้วยกันเราก็เข้ามารวบรวมทาเป็นประวัติขึ้นมา hmm. แล้วพนดีประกอบกับเราได้แสดงทำไว้กันหนึ่งเกี่ยวกับความน้ารวย เศรีที่รวยจริงๆต้องเป็นเศรษฐีที่ไม่หิวโหวยถ้ายังหิวอยู่ก็เถอว่ายัางไม่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเศรษฐี จ, จริงหรือถ้าใจยังอยากได้เงินเพิ่มถึงแม้จะมีเงิน ล, าาลา้านแสนล้านก็ยังอยากจะได้เพิ่มนี้ก็แสดงว่ายังไม่เป็นเศรษฐี จ, จริงถ้าเศรษฐี จ, จริงนี่ก็พอแล้วรวยแล้วพอแล้วคนที่รวยแล้วพอแล้วก็คือคนที่ไม่หิวเอองินหิวหิวทองคือคนที่มีมีความสุข อิมอิม อ, มอิมด้วยบุญอิ่มด้วยปรรยัญญาอิ่ด้วยควาสมสงบอันนั้นแหละคือมาหาเศรษฐีที่แท้จริงเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านบ้านหลานเนี่ยท่านไม่แสวงหาอะไรต่อไปนะท่านพอแนละ้วครับพ อ, อความสุขมันเป็นเปลี่ยนอยู่ภายในหัวใจนะแต่ความสุขที่ได้จากการเป็นเศรษฐีมือนล้านแสนล้านมันไม่เต็มมันดีใจเดียวเดียวแล้เดียวมันก็พ่อกนะัมันก็หิวแล้วนะอยากจะได้เพิ่มขึ้นอีก เขาก็เลยเอามามามาเป็นเป็นหัวหัวข้อ ข, อ, ของหนังสือเรื่องนี้ชื่อหนังสือเล่มนี้ครับหรือที่มาที่ไปของหนังสือเล่อนี้ดยพืน้นฐาก็ขาจะเอาการเท่นี้พิมพ์แล้วก็เอาประวัติของเราเติมเข้าไปหน่อยทำไมทํามาประวัติของเรามันมากกว่าการเท่ครับก<ผม>็ผมโชคดีได้หนังสือเรื่อนี้มาครับแล้วก็ตั้งแต่อ่านจบก็มีความรู้สึก ทั้งกับผมภรรยาแนละลูกบอกโอยังไม่มีใครรวยกับพระอาจารย์เลยครับ <laughs> แต่ล่าส่วนี้เขาก็มีการทํครับเพิ่มเติมนังสือประวัตินี้ก็หลังจากที่เราพูดทำต่างๆพูดเรื่องราวต่างๆก็มีประเด็นที่เขาอยากจะเติมเข้าไปก็เลยทําเป็นเน่มสองขึ้นมานเน่นปรปับปรุงแล้วก็ให้ชื่อว่าเปิดใจเปิดธรรมครับใ <c oughs> อยากจะ อยากจะอ่านตอนที่สองนีอตอนที่สมบูรณ์กว่าตอนแรกก็ต้องไปดูเปิดใจเปิดธรซึ่งสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเราในพระสุชาติ .com าดาวน์โหลดดาวน์โหลดมาอ่านได้า น, าน .pdf file อันนี้ผมโชว์ไปแล้วครับอาจารย์เมื่อกี้คร <c oughs> ับพระสุชาติ .com เข้าไปที่หน้าหนังสือดาวน์โหลดหนังสือหนังสือแล้วก็ ทางคำนั้งเสว่าเปิดใจเปิดใจเปิดธรรม อ, อันนี้เนิ่มเริ่มเริ่สมบูรแบบประวัติแบบสมบูรณ์เริ่มหน้ายังไม่สมบุรณมหาเศรษฐีที่แท้จริงยังไม่สมบูรณ์มาต่อมีการมีการเคลื่อมเติมขึ้นมาแล้วก็มีแปลนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็เนอะ Beyond Birth ภาษาอังกฤษเริ่ม Beyond Birth กลับกับพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ได้ได้เพื่อนๆได้อ่านหนังสือหลายเรื่องแล้วครับขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับคุณคณิ t ฐาครับกาบเรียนถามพระอาจารย์เคยได้ยินหลวงตาท่านพูดว่าเทศแกงหม้อจิว๋วว่าคืออะไรคะหมายถึงท่านเอาทําล้วนๆทาที่เกี่ยวข้อการปฏิบัติล้วนๆคือไม่เอาเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมา มาม า, มาใส่เข้าไปจนเวลาพิจารณาสอนทุกพิจารณาทุกกัมวิชนาพิจารณาความตายอะไรเงี้ยถ้าเอาแบบเอาเนื้อร้อนๆเลยแล้วก็เป็นแกงแกงเผ็ดจริงๆอ่ะเพราะเรื่องราวเหล่านี้ถ้าไม่ได้เป็นนักปฏิบัติที่ ท, ที่ที่กล้าหาญจะไม่ไม่ค่อยกล้าที่อยากจะเกี่ยวกับเรื่อง ทุกขเวทนาเกี่ยว่าเรื่องควาตายนั่นเกี่ยวว่าเรื่องวัตถุภักดีหมายถึงแการมอนมอดจีวก็คือเอาแต่เนื้อหารสาระล้วนๆที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญจริงๆท่านจะไม่เอาทานเอาศีลอะไรมาพูดนี่เป็นเหมือนเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนส่วนส่วนประกอบส่วนอืน่นอาจจะเป็นแบบทําให้ดูแกนดูสวยงามขึ้นอะไรนั่นน้อย เนื้อน้ามันมากพวกนี้อาจจะถือว่าเป็นน้ำไม่ได้เป็นแกงหมอใหญ่บางทีเนื้อมันน้อยแต่คนยกินเยอะก็เลยต้องใสน่น้าเยอะๆจะไ ด, จะได้จะได้แบ่งกินได้ทั่วถึงสำหรับถ้าสอนนักปฏิบัตินี่นักปฏิบัติจะมีน้อยพวกหัวจะเป็นีพวกที่เข้าลึกถึงทุกทหลักๆอห ล, ลนี้จะมีน้อยท่านก็เลยสอนเป็นแบบแกงห ม, ม้อเฉียง ไม่ต้องพูดถึงเรื่องทานนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องสีนะเรื่องทุดดงขวัติใจต่างๆของเนี้มันยังเป็นเรื่องมันกลับเป็นมันไม่เป็นเนื้อสาระของธรรมเนื้อสาระธรรมก็ในนี้ปัญญาเรื่องปัญญาเลยเรื่องอารความตายเรื่องเวทนาทุกเวทนาเรื่องมรรสภะผมเคยฟังธรรมะชุดเตรียมพร้อมนี่ใช่เลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เนื้อหลังสึง นี่ก็เกิดจากที่มีลูกศิษย์คนหนึ่งเธอเป็นโมคอะไรแล้วหมอก็บอกว่าอยู่ได้ออกเอดือเธอเลยตัดสินใจว่ายอมไม่เอาแล้วไม่รักษาแล้วคือรักษาตามอาการแต่จะไม่ไม่อยู่โรงพยาบาลแนละ้วขอหมอออกจากโรงพยาบาลแล้วขออนุญาตหางต า, ม, ตามาอยู่ที่วัดตาลันตัแล้วก็จะมาศึกษาธรรมะในช่วงสุดท้ายของชีวิตนี้ หลวงตาท่านก็ปวดประเทศเกือบทุกคืนเลยครับยกเว้นคืนที่ท่านมีภาระต้องเทศให้พระในหรือท่านมีภาระที่ต้องไปทุร์ครั้งนอกท่านก็จะไม่ได้เทศเขาไปอยู่ประมาณไม่ทราบร้อยกว่ามงแต่ท่านเทศประมาณเาก้าสิบครั้งด้วยครับท่านก็หนังสือนี่แบ่งเป็นสองเล่มเล่มนึงเรียกว่าธรรมะชุดเตรียมพร้อม่มนงเรื่องมีวัฒนาศาสนาอยู่ที่ไหน <Okay. S 2> อันนี้ก็ท่านประยชเทศเงิเด่นเด็ดท่านนะทำชุดเตรียมพร้อม ถ, ถ, ถ้าถ้าใครอยากจะศึกษาก็เข้าไปที่เว็บของน้องตา .com uh huh. วันตาวันตาน้องตา .com นี่แล้วก็ไปหาหนังสือชุดธรรมะชุดเตรียมพร้อมรู้สึกจะมีทั้งเสียงว่ามีทั้งปกสอนได้อ่นได <Okay. S 2> ้ดาวน์โหลดน ะ, นะ <Okay. S 2> ฉันจะพูดแต่เรื่องภาวนาเป็นหลักฉันจะม่ได้พูดเรื่อง พิจารณาเรื่องทุกเวทนาการเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องตายเรื่องหน้าสากายัตถิเพรตอนนี้นักศึกษาต้องการต้องการข้อมูลอันนี้เธอกํากลังจะตายเธอกํากลังทุกข์กับหน้านกายกํากลังทุกข์กับขันธ์ให้ก็เน้นสอนเรื่องการปล่อยวางในการพิจารณาขันธ์อันนีเป็นงานิจกรรทุกขกับอนัตตา ผมกับแฟนเคยนั่งฟังด้วยกันทุกคืนครับอาจารย์ใช้เวลาสามเดือนกว่าครับผมกว่าจะจบฟังกต่ตอนฟังไปเรื่อยๆได้ได้จากที่ไหนมาเลยเนาะตอนนั้นก็อยู่ใน u t u b e ครับอาจารย์ครับเอยูครับผมเปิดฟังท่านเทศครึ่งชั่วโมงบ้างสี่สิบนาทีบ้างใช่ไม่ไม่ยาวมากไม่ยาวมากไปคันอาจจะมีมีน้ำหน่อยเพกาบางทีเป็นคืนที่มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมกดไข้แล้วก็ของฟังธรรมด้วย ให้ว่า อ, อะไพู ด, พ ด, เเดนนูเกี่ยวอะไรเรื่องอืด้วยนิดหน่อยแต่ถ้าเวลาที่ไม่มีใครเนี่ยมีแต่เฉพาะคนป่วยคนเยอะเนี่ยครับไม่ชีคนนุณแม่โยมแม่าลวงตาเนี่นก็ได้ฟังด้วยเพราะตอนนั้นที่ลองครัวยังมียมโยมแมของหลวงตาอยู่ประจําแล้วก็มีผู้ปฏิบัติธรรมผู้หญิงที่ไปพักเป็นเป็นครังเป็นคราอยู่ไม่มากไม่กิดคนครับ ก็อาจจะให้แสดงทำแบบเผ็ดๆร้อนๆท่านเลยว่าทำช่วงนี้เผ็ดๆร้อนๆอนต้นท่านไม่ไม่ต้องการให้เผยแพร่นะไม่ให้เผยแพร่ไม่ให้ถอดเทปไม่ให้ทำทังเสียงแต่คนที่ฟังนี่ซึ่งเป็นภรรยาของหมออวยคนเคยได้ยินไหมออวยเกียรติถึงอาจารย์ภรรยาท่านก็เป็นหมอเหมือนกันหมอเี็นหญิศักดิ์สิทธิ่านก็พอดีไปพับอยู่ที่นั่นตอนนั้น ท่าก็เห็นว่าเป็นธรรมะที่มีคนมีประโยชน์มากแัลลังกอนอนุ ญ, ญาตถอดออกมาพิมพ์เป็นหงังสือก็ต้องขอหลายครั้งด้วยกันอันนี้สุดท่านก็ยอมท่านบอกว่ามานันอาจจะเพดร้นนอนเกินไปสําหรับคนทั่วไปนะคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัตินี่อาจจะรับไม่ได้ก็ได้เพอพูดเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะทําให้ใจดหดถู่ได้ถ้าใจไม่เข้มแข็งพอแต่ในที่สุดท่านก็อนุ ญ, ญาตนะครับเขออญญาเลย ถอดออกมพิมพ์เป็นนังสือครับแล้วก็มีมีมีเทพสมัเนี่ยก็อาจใส่เป็นเทพข้าศ์ศัตรับเสียงใช้ได้ครับอาจารย์ครับเสียงดีเสียงดีท่านบัญญัติท่านมีเครื่องหัดเสียงที่ดีครับท่านบัญญัติท่านเป็นพระชาวเกตท่านท่านเป็นวิศวกรท่านเก่งทางด้านเทคโนะระดีตรงนี้ครับ แล้วท่านก็มีลูกศิษย์ที่สนับสนุนเครื่องซื้อเครื่องอัดมาอย่างดีซื้อไมโครโฟนอย่างดีมาอของดีนที่มีอยู่ในยุคนั้ น, เ, นเขาซื้อมาถวายให้บ่านให้ชัยอาทิมได้คุณภาพดีมากเสียงชัดเจนตั้งแต่ปี2017เลยใช่ไหม2018ปีที่เราเข้าไปพอดีปีที่เราพ<อ>ูดพอพรรษาประมาณช่วงตุลาและพฤศจิกาแกก็มาไปขออยู่ Oh. อยู่เฉ่านถึงประมาณเดินกุ่มผางต้องเดินกุ่มผางก็กลับประมาณสามเดินกว่ า, <Okay. S 2> านิดหน่อยพร้อมที่จะกลับไปอยู่บ้านได้แล้วปฏิบัติต่อที่บ้านได้แล้วแล้วก็อีกอย่างอาการกอาจจะเพรียวหนักขึ้นเนี่ยอาจจะต้องอยู่ใกล้โรงปยาบาลใกล้หมอมากขึ้นก็เลยร <Thank you. S 2> อลากลับไปไม่สะดวกที่อยู่ที่วัดเพราะที่วัดไม่มีน้ําประปาไม่มีไฟฟ้าในยุคนั้น จะคุณสหชยาครับคําว่าบรรลุธรรมใช้กับอริยะบุคคลชั้นไหนคะชั้นไหนขั้นที่หนึ่งขั้นไปนะขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มีอยู่สี่ขั้นดนะ้กันบรรลุธรรมได้สี่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสัิดาคาเมขันอนาคาเมและขั้นอานาคคุณสหชยาถามต่อครับสภาวะที่เหมือนไม่มีใจ ใจหายไปมันโล่งเป็นสภาวะอะไรคะคือเราไป็นผู้ใจมัญหายใจ ก, ก็ไม่หายหรอกใจมันเป็นผู้ผู้รู้มันรู้สภาวะใจมันเป็นผู้รู้มันรู้สภาวะนี้มันก็แสดงว่ามันไม่หายไม่ทราบว่ามหมายถึงนลมหายใจหรือเปล่าที่พูดเนี่ย oh. ลมหมายใจอาจจะหายไปได้จิตสงบบางทีเวลาภาวนาแล้วจิตละเอียดนี่จิตเก็บ อีกใกล้จิตสงบนี้ลมมันจะละเอียดแต่ด้วยจังกาน้ำเรามไม่สามารถจับลมได้แล้วพอมันสงบปับ๊บ ล, ลมหายใจก็หายไปไหนแล้วใจก็รู้สึกล่องเบาสงบเย็นเหมือนลอยอยู่ลอยอยู่ในอากาศ น, นี่ลักษณะของสมาธิคุณป๋อมแป๋มครับอยากฝากคำถามเกี่ยวกับคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับอาจารย์ เนาเราะึงเศร้าเพรคิดคิดมากคิดแล้วผิดหวังอยากได้สิ่งที่ตอนเองต้องการพอไม่ได้ก็ผิดหวังก็เลยเกิดอาการซึมอาการเศร้าขึ้นมาเศร้าบ่อยๆก็เลยซึมไปเรืเรียก็เป็นการซึมเศร้าเพราะใจรู้สึกว่ามันไม่มีไม่มีความหวังกับอะไรกลอยากได้ทัาอยากได้น่นอยากได้นี่นอยากทำนู่นทํานี่ก็ทำไม่ได้ด้วยเหตุหตผลกลไกอย่างไรก็ตาม คือไม่สมหวังในชีวิตเอ่ะไม่สมหวังก็เลยมนความรู้สึกคิดหวังเสียใจเศร้าโศกเสียใจถ้าปล่อยให้คิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งซึมเศร้าอย่างนี้ครับดังนั้วิธีการซึมเศร้าก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ทั้งหมั่นจารสติพุทโธเริ่มหมันสวดบนไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าหยุดคิดได้แล้วอาาซึมเศร้ามันจะหายไปเชื่อคราวเวลาที่ใจสงบใจจะร่องจะเบาเหมือนกับคนที่ถามคําถามเมื่อกี้นี้ ใจสมอแล้วมันจะล่องจะเบาจะสบายอาการซึมเศร้าจะหายไปแต่มันจะหายไปเฉพาะเวลาที่ใจสมองเวลาออกจากส ม, มาธิเราถ้าปล่อยให้กลับไปทิ้งเรื่องเดิมอีกก็เป็นยุคนถ้าอยากจะแก้อย่างถาวอ น, นด้วยปัญญาเวลาออกจากมาก็นกพิจารณาว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนเป็นโลกอ น, นิจจามโลกที่เราไม่สามารถสั่งได้ อยากได้ราบรื่นสนุกสนุกสุดแต่อาจจะไม่ได้ก็ได้ครับนั่นอย่าไปหวังกับสิ่งเหล่านี้เพราะหวังอยากได้นั่นมันพอไม่ได้จะเสียใจจะทุกข์ใจมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้หันยินดีตามมีตามเกิดแล้วให้ขับว่าหาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่าเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้เดี๋ยว่าความสุขที่ได้จากราบรื่นสนุเสนุกสุดอันนี้ครับมี ถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วก็สิใช้ปัญญาได้แล้วก็คิดนับประกันได้ว่าหายจากโรคซึมเศร้าเนี่ยเท้าหวงเพราะอย่างน้ อ, อยก็รู้นทางแก้แล้วด้วยสติด้วยการทำสมาธิเวลาซึมเศร้าก็เข้าสมาธิไปใจก็หายซึมเศร้าไม่หายเท้าหวงออกมาแล้วก็ยังคิดแบบเดิมอยู่คิดยังอยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็ซึมเชร้าที่ต้องสอนว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่มันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ คนที่ได้มารั้บ้าหมดไปได้เสียไปได้เป็นทางที่ดีก็อยากไปอยากได้สิ่งเหล่านดีกว่าตัดใจไปเสียอยู่กับความสงบดีกว่ารับความสุขจากความสงบดีกว่าพอพิจารณาได้ด้วยปัญญาบ่งได้วางไม่เอาไม่เอานั่นไม่อยากต้องการอะไรจากใครใจก็จะไม่ทุไม่ไม่สิ้นเศร้าไม่ผิดหวนอีกต่อไปคุณอีฟครับ หลังจากไปงานศพมักจะมีเหตุให้ต้องป่วยหรือไม่สบายต้องทําอย่างไรเจ้าคะมันเป็นเรื่องมันเรื่องอ่าจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกันแต่ว่ามันอาจจะมันอาจจะหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องจิตวิทยาก็ได้เวลาเราไปอะไรมาแล้วจิตเราเครียดจิตเราจิตเราซึมหรือจิตเราเศร้าแล้วอาจจะไปมีรกระทบต่อการทํางานของร่า ง, งากายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ที่เปราะบางอยู่แล้ว ว่าสภาพจิตใจไม่ดีมันก็เลยเ ป, ไป็นกระตุ้นให้เกิดอาการเจ็บไข้ดได้ปวดขึ้นมาก็ได้ทางแพทย์เ็าเรียกกา น, นโรคที่เกิดจากจิตที่ไม่ปกตินี่ psycho somatic นี่ภาษาจีน อ, อันนี้ก็้า จ, จะเป็นได้คุณอุไรครับการใส่บาทถ้าเราใส่บาทไปแล้วหลงตาบอกให้กับข้าวแบ่งกันไป มีคำถามแค่นี้ครับไม่ทราบว่าบอกใครให้ใครแบ่งเหมือนกันที่เราส่งสองคำถามเข้าใหม่ได้ไหยครับผมผมจะถามว่าเป็นอะไรไหมครับเอาข้าวไปแบ่งกันอย่างเงี้ยป่ะจ๊ะอ๋ออ๋อก็ใส่บาตแล้วเราจะไปเอาจากท่านไปแบ่งได้ยังไงคือเราใส่บาตแล้วมันก็เป็นของของพระแล้วนอกจากที่ของที่ท่านชั้นเหลือแล้วหรือท่านไม่ต้องการแล้วท่านก็ ใ้ญาติโยมไปแจกกันนี้ก็ได้เอาไปแบ่งกันได้แต่ต้องได้รับยอนุญาตจากจากพระก่อนพอเพราะของที่เราถวายนี้เป็นของพระแต่พอพระแบ่งกันเสร็จน้อยยังเหลืออยู่ท่านก็จะส่งกลับคืนญาติอยู่ญาติโยม ก, ก็อยาไปรับประทานกันแบ่งกันกินยังไงก็ได้ไม่ไม่บาปแต่เอาก่อนไม่ได้เอาก่อนที่พระท่านไม่ได้ที่พระท่านกลับมาจากบิณฑบาตเราหยิบของที่ท่านบิณฑบาตไปกันก่อนไม่แบ่งกันก่อนแล้ว อย่างนี้ไม่ได้ต้องรให้ท่านแบ่กันก่อนแล้วที่ที่ที่เหลือแล้ว่อดคอามแบ่งกับญาติโยมอีกทอดคุณอภิญญาครับจากการสังเกตตัวเองการทําบาปโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วได้รับกรรมเช่นเจ็บป่วยการทําบุญก็เช่นกันจะได้รับการช่วยเหลือและมีโชคบ้างอย่างนี้บุญเราจะหมดไม่ไปถึงชาติหน้าไหมคะมันอาจจะเป็นผลของบุญเก่าบาปเก่ากนะ็ได้ บุญใหม่ที่เราทําในวันนี้ยังอาจจะไม่ส่งผลก็ได้งั้นอย่าไปจับประเด็นว่ามันจะต้องเป็นบุญหรือบาปที่เราทําพำบางกรที่ทําบุญถ้าเป็นท่านตายไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครเลยก็มีครับ uh huh. เพราะอาจจะเป็นพรอะบุญเก่าไม่มีและบุญใหม่มันเหมือนต้นไม้เพิ่งปลูกใหม่ต้นไม้นี่ปลูกปั๊บมันไม่ได้ออกด อ, อกผลทันทีมันก็ต้องใช้เวล า, างั้นบางทีเราจะแพ้ชนแก่กันนะ ทำบุญก็ไม่ได้ได้รับผลบุญไปทําบาปกลับได้รับผลทันทีอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะบาปเก่าที่เราทําวำมันถึงเวลามันออกดอกผลทันทีก็ได้เนี่ยเราต้องคิดถึงบาปในอดี ด, ด้วยบุญในอดี ด, ด้วยเราถึงจะได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าไปวิเคราะห์เสียเวลาเลยคือผลที่จะเกิดขึ้นกับเราก็เถอว่ามันก็ต้องเป็นจากบุญหรือจากบาปนี่แหละส่วนหนึ่ง แล้วก็เกิดจากเรื่องอื่นด้วยเพราะมันไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้เรื่องบุญเรื่องบาปที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆกับเรามันก็อยู่ที่การกระทำของเราในปัจจุบันด้ ว, ว่าเราทำถูกหรือทำไม่ถูกหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอะไรดินฟ้าอากาศมันก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีกับเราได้อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องของบุญหรืบาปเพียงอย่าง คุณดีครับปกติจะเข้าไปสวดมนต์ที่ย่องพระทุกวันพอมีวันหนึ่งสวดมนต์ในห้องนอนพอคืนนั้นนอนหลับไปมีผู้ชายคนหนึ่งมาเข้าฝันบอกว่าไปสวดในห้องพระสิใช่เทวดามาบอกไหมคะก็อาจจะเทวดาในใจเรานะเป็นความรู้สึกฮิริโอตับปะเพราะเราไม่ควรทําแบบนั้นกินแล้วมันก็เลยปรงุงกลังขึ้นมาเป็ น, ปนมีคนมาบอกเราว่าจะอยาไปสวดในห้องนอนไปสวดในห้องพระ เปนเรื่องของจิตมากกว่าเทว ด, ดาไม่ไรำคาญก็ไม่มามายุ่งกับชีวิตของเราถึงขนาดนั้นหรอกครับอาจจะเป็นเรื่องจิตสความสำเร็จของเราเมออื่อกี้เราทําไม่ถูวกเราควรจะแต่เราขี้เกียจอยากจะสวดปั๊บก็ไปนอนได้เลย <laughs> ก็เลยสวดในห้องนอนไปพอนอนนลับมันก็เลยฝนันก็คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเอเราไม่น่าสวดในห้องนอนนะ <laughs> คุณพงพันธ์ครับการถือปฏิบัติในสัจชิสามารถนั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงหรือนั่งหลังพิงฝาได้หรือไม่ครับคือให้อยู่ในท่านั่งถ้า ย, ยืนถ้าท่านเดินสามท่าความหมายของในสัจชิถ้าจะหลับจะหลับในท่านั่งจะพิงอะไรหลับไปก็ได้แต่โดยความหมายนี้ท่านไม่ต้องการหลับพูด ง, ง่ายๆคือท่านต้องการที่จะตื่นต้องทาความเพียนตลอดเวลาเลย ความหมายก็จะได้เล่นเล่นความเพียงอาจจะคิดว่าพรุนี้เราชจะตายก็ได้หรือเวลาเราเหลือน้อยแล้วเราต้องรีดทำความเพียงก็เลยทำแบบไม่ไม่หลับไม่นอนนี่เลยถึงสามวิริยะบุตรทีนี้ผู้ปฏิบัติจะไปปฏิบัติแบบไห น, นก็สุดแท้แต่ที่จะแป ล, ปลความหมายของตนอนนี้ก็แล้วกันแต่โดยหลักๆก็คือไม่ไม่นอนไม่หลับไม่ให้ต้องไม่ให้นอนไม่ให้หลับไม่ให ถ้ามันนั่งสบายถึงไม่จะเพิงจะเอนมันก็จะหลับได้หลับมันก็ซุ้ไปนอนดีกว่าถ้าหลับมันก็นั่งหลับหรือนอนหลับมันก็เหมือนกันคุณเดลมัติเวอร์ซยูนิตีครับหลายวันนี้พระอาจารย์เทศเข้มข้นกราบขอบพระคุณครับขอกลับเรียนถามทำอย่างไรชาวพุทธเข้าถึงพตัตนาตายได้มากๆครับก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แลต้องเข้าหาแหล่งที่ นแหล่งแท้ พ, พ, พระพุทธพระธรรมประสงค์แท้ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่มีแล้วก็มีแต่พระธรรมนะพระไตรปิฎกนี้แล้วก็พระธรรมคําสอนของครูบาอาจารย์นะี่ภาพปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเอาไปฟังไปศึกษาบ่อยๆแล้วมันจะทําให้เกิดฉันทะมิริยะขึ้นมาเกิดความความยินดีเกิดความใฝ่ธรรมที่จะปฏิบัติให้เข้มข้นมากขึ้นไปตามลาดับ ของการกระทของภาคปฏิบัตินี่ท่านแม่ท่าไม่แสดงแต่เหตุอย่างเดียวท่านแสดงเหตุด้วยผลด้วยพอทําทอย่างนี้แนละ้วผลีก็จะเกิดขึ้นผลอะไรจะเกิดขึ้นอย่างไรเป็นบรรลุโสดาบรรลุกส ก, กริราคารนี้ก็จะแสดงทั้งเหตุทั้งผลพอเราเห็นว่าการปฏิบัติมันเป็นเหมือนการลงทุนนะแล้วเราลงทุนแล้วเราก็จะได้เราเราก็จะได้ผลตอบแทน เรารูวผลตับแทนสูงแบบเนี้ยฟอเหร็เนี้พอเหร็ศรัมดีนี้คนก็แห่ไปใหญ่แต่พี่น้องว่าม น, นผลปอบนั่นเองแต่ถ้าฟังเทศฟังธรรมจากพระอริยนิพพานจะบอกเหตุ hey, ถ้าบอกผลถ้าปฏิบัติเข้มข้นผลมันก็จะออกมาเร็วอย่างพระพุทธเจ้าบอกเจ็ดวันไม่เจดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจดวันเจ็ดเดือนก็เจ็ดปีพุทเจ้าพูดไปเลยในสติปัฏฐานสี่ ยังได้อย่างจะฟังธรรอย่างโคตจ้าเราฟังอา่านพวกคติประฐานสี่พวกธรรมจักกับประวัตนสูตรพวกอาธิตยาสวนแล้วก็พวกอนัตตลักษณ์อนัสสวนเนีสี่ห้าส่วน น, นี้เป็นสูตรที่เข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติโดยตรงหรือถ้าทําการอ่านภาพรวมก็อา่านมงคลสามสิบแปดข้อนะอันนี้เราเป็นภาพตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงถึงท่านสุดท้ายของการปฏิบัติ คุณป ร, รัชท์ครับผมอยากถามว่าเมื่อเรายังนึกถึงมีสติคิดถึงมีจิตตระหนักในการทําความดีนําพามาซึ่งบุญกุศลในชีวิตได้อย่างไรครับเออเบื้องต้นยังไม่ไม่ยังไม่เป็นกุศลนะคิดแล้วต้องทําคิดว่าทําบุญทำทานแล้วจะทําใหช้ชีวิตเรามีความสุขผลของการทำบุญทำธรมดีไม่ได้หมายว่าจะร่ำจะรวยนะจะเจริญในลานภยุทธสารเสรื่อมสุขอันนี้เป็นความเข้าใจ ผ ก, การทำความดีก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขมีความสงบมากขึ้นแล้วก็จเจริญสูงขึ้นจากมนุษย์จิตเราก็จะเป็นเทน เ, ปน เ, ปนเป็นครองเป็นราหุยักษ์ทุกคนไปตามระดับอันนี้เกิดจากการทำความดีในระดับต่างๆคุณวิรัยรัตครับอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าสัตว์เลี้ยงของเราตายไปแล้วเราทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับเขาไม่ทราบว่าเขาจะได้รับบุญที่เราทําให้ไหมคะก็ขึอยู่กับสถานภาพของหลังจากที่เขาตายหรือว่าเขาไปเป็นอะไรถ้าเขาไปเป็นมนุษย์เป็นเทพหรือเป็นอะไรอย่างอื่นนี้เขาก็จะไม่ต้องมาเรารับส่วนบุญแต่ถ้าเขายังไปเป็นเปรตอยู่นี่ยเขาก็จะต้องมาขอส่วนบุญเพราะเปรตเป็นเหมือนขอทานทางด้านจิตจาริญญาแต่นี้มีบุญไม่ออยังมีหิวบุญ ในต้องมาขอบุญจากพวกที่เป็นเจ้าของเพื่อนเฉลต์ิมสสายส่วนใหญ่เขาจะมีการส่งสัญญาณเช่นมาเข้าฝันเราในทำนองนี้มากกว่าแล่เดี๋ยวนี้เราทำกันเป็นธรรมเนียมกนะันว่าเราใครตายปั๊บเราก็ทำบุญที่ไปให้เขาทันทีเผื่อไว้เผื่อถ้าเขาต้องการเขาก็จะได้รับบุญที่เราทำให้ทไปให้เขาแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขานอนรับหรือไม่ นอกจากว่าเข้ามาส่งสิส่งสัญญาณบอกเราเช่นเข้าฝันบอกเราอย่านี้อันนี้เป็นธรรมเนียมว่าเวลามีคนตายแต่แล้วเข้ า, า, ขาฝันนึองเราอะไรสรุปว่าคงจะเป็นเพราะเขาต้องการเฉลิมบุญจากเราพอฝันในคนตายเราก็มักจะไปทําบุญในวันขึ้นแล้วก็อุทิศบุญให้กับคนตายไปคุณจอนครับ เรียนถามพระอาจารย์เราจะแยกฉันทะกับปัญหาว่าต่างกันได้อย่างไรครับก็คือตัญหามันมีความอยากในรูปเสียงกิรสเนยอยากดูอยากฟังอยากกินอยากเหนื่อนี่เรียกว่าปัญหาฉันทะนี่อยากจะศึกษาปฏิบัติธรรมนี่ว่ฉันทะมันเป็นความอยากเป็นการเพ่งตัใช้ภาษาต่างกันนั่นเองเพื่อแยกแยกถ้าเป็นฉันทะก็หมายว่าอยากจะศึกษาทรรอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะบรรลุธรรม อันนี้เรียกว่าเป็นฉันทาแต่ถ้าอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปดูน้ำฟังเพลงนี่อันนี้เรียกว่าตัณหาความอยากเศรษการการพัฒนาอาจนรย์ครับอย่างฉันทะ น, นี่มันก็ทุกได้เหมือนกันไหมครับอาจาั้นคืออยากทําแต่ไม่ได้ทําหรือทาไม่ได้ตามเป้าหมายอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีมีขอบมีเกณฑ์มีเหตุมีผลบางที่อยากจะนั่งสมาธินั่งเรียกท่ายสงบเพราะนั่งไม่สงบก็ไม่สบายใจไม่ผอนใจ อดีผ่านไม่ไม่นั่งต่อไปก็เลยเริ่มทาดีกว่านั่งว่าไม่ได้ผลก็เลยไม่นั่งต่อไปอันนี้ก็เปนอันนี้แบบทำฉันท่าแบบเปล่าบอกไม่ฉันท่าไม่เห็นด้วยถ้าชันท่าได้เห็นด้วย mm hmm. ก, ก็ต้องดูเหตุที่เราใส่เข้าไปแล้วก็มวัผลที่อยากเหตุของเราไม่ใช่วัดผลจากความอยากของเราอยากให้ได้ผลแต่เหตุของเราไม่พร้อมอาจจะน้อยไปหรืออาจจะทําไม่ถูกก็ได้แล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ดู ให้ทำไมเรานั่งแล้วก็ยังไม่ได้ครับ <Okay. S 1> อาจจะเป็นเพราะเรายัางทําน้อยไปหรือว่ากิเลส ข, ของเรามันมีกําลังมากเมื่อกําลังของสติที่เราจะแบบนี้ยังมีกํำลังน้อยอยู่อะไรอย่างนี้เห็นต้องใจเย็นๆด้วยเพราะการปฏิบททัติธรรมนี่น้อยคนที่จะปฏิบัติปุกได้ปั๊บเลยข้งจากคนที่มีบุญมาเยอะมีสาสมบุญบารมีมาเยอะแล้วมีทับติดตัวมาเยอะ อันนี้บางทเพียงแต่ฟังทำก็บรรลุธรรมได้เรานั่งสมาธิเพียงห้านาทีจิตก็รวมได้อย่างคุณแม่แก้วแม่ชีแก้วเนี่ยเธอบอกเธานั่งสมาธิแค่ห้าห้านาทีจิตก็รวม mm hmm. แต่เธอไปฟังเท่จากหวงปู่มั่นหลงปูมงป่มั่นบอกให้พุทโธพุทโธเริ่ไปถามหลวงปู่มั่ภาวนาอย่างไรหลวงปู่มัน่นบอกนั่งหลับตาแล้วพุทโธพุทโธไปเธอก็ทดลองทําล้วบอกห้านาทีนั้นจิตของเธอรู้ลิงเข้าสูรร่ความส อดีตหลักแสดงว่าเธอมีมีมีสติที่มีกำลังมากได้สะสม ส, สติมาเป็นเวลา ย, ยาวนานพอนั่งนี้จิตห้านาทีไม่คิดอะไรเลยคิดแต่พุโทโธคบเดียวอย่างเงี้ยไม่ว่าไปคิดตรงนูน้นตรงนี้เลยไม่เผลอเลยถ้าอย่างนี้ห้านาทีก็รวมได้ oh. แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบุญบารมีที่เราสะสมมามีไม่เท่ากันในบทบงคลสุดก็มีข้อหนึง บุญที่ได้ทําในอดีตนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งบที่เราเคยได้ทําในอดีตนี่ยมันเป็นมงคลเพราะมันจะมาผักดันให้เราทําเพิ่มขึ้นได้ง่ายขึ้นเติมดุญได้ง่ายได้ผลเร็วกว่ากับคนที่ไม่ได้มีบุญไม่ได้ทำบุญมาในอดีตคุณจารึกครับขอากาสถามค่ะว่าจําเป็นต้องอยู่ร่วมกับญาติที่ไม่ถูกกันควรจะทําอย่างไรไม่ให้ใจขุ่นเคืองคะ เธอต้องมองก็ว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเพื่อนกันอย่าไปมองก็ว่าเป็นสัตว์เกันถึงแม้เราจะไม่ชอบเขาพยายามมองในส่วนที่ดีของเขาส่วนที่เราไม่ดีส่วนที่เราไม่ชอบก็อยากไปมองพิดถึงความดีของเขาเขาต้องมีความดีบ้างถ้าเราตั้งใจจะมองไปอีกทีคนเราทุกคนไม่ใช่จะจะดีดแต่ไม่ดีอย่างเดียวมันมีทั้งดีและไม่ดีปนกันไปพยายามดูส่วนที่ดีของเขา แล้วล่าจะทําให้เรานี้ชอบเขาก็ได้หรืออย่างน้อก็ไม่หลักเกณฑ์เขาไม่เกลียดเขาคุณพีพีแฟมิลี่ครับบุตรจะมีวิธีบอกหลักธรรมให้กับบิดามานดาให้ท่านเชื่อได้อย่างไรครก็ให้ท่านถามก่นนอนนะครับามวาวิธีเราคุยท่านไปคุยมาแล้วเราอาจจะแบบหยอดธรรมะเข้าไปทีละข้อสองข้อก็ได้หยอดแบบไม่ต้อง แบบว่าเป็นธรรมะก็ธรรมะนนที่หมือนบางทีไม่ต้องใช้ภาษาธรรมก็ได้เในเวลามามาม้าของที่รักของท่านตายไปตลอดนี่เราเป็นอย่างนี้เนะี่ยเรื่องธรรมชาติมีเกิดแล้วก็มีดับอะไรพูนก็ไดอันนี้ก็เป็นการสอนหลักธรรมโดยที่ไม่ต้องใช้คําภาษาธรรมะไม่ต้องตั้งน้โมงแม่ผมจะผมจะบอกธรรมะครับแม่แม่มมแมแมต้องราได้ผมตั้งน้โมง ก, ก่อนนะนไม่ต้อง พูดไปเป็นรธรรมชาติพูดไปตามหลักความจริงคุณอ่อนไม่มีครับขอาการสอบถามเจ้าคะ่ะเวลาพระอาจารย์เทศน้ากุติหรือที่วัดเคยมีเทวดามานั่งฟังเทศด้วยไหมเจ้าคะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยไม่ทำธทิการไม่ได้รายงานว่ามีเทวดามัไม่น่าจะมีหรอก เขาจะฟังเ ท, เทวดาจะฟังได้นั้นต้องอยู่ในระดับจิตต้องอยู่ในระดับเอาอุปเทลาสมาธิเพื่สามารถที่จะสื่อกับเทวดานะคุณวีนาครับคนที่เวียนไหยตายเกิดต้องไปเกิดอีกกี่ภพจึงจะหมดไม่ต้องมาเกิดวนแบบนี้อีกคะถ้าทำทานศีนภาวนา จ, จะหลุดจากวงจรเวียนไหวาตายเกิดไหมคะถ้าปฏิบัติตามแนวลักสติประฐานสูวนง่าก็ ยุติการมีไม้ตายเกิดในครบนี้เลยภายในเจ็ดปีเป็นอย่างารตามที่มูเจ้าทรงสั่งสอนแต่นั้นไม่มีสติปัฏฐานสุดไม่มีรพระพุทธเจ้าไม่ก็เรียนไปเรื่อยๆไม่มีวัดสิ้นสุดเพราะเราไม่เราล้มพังแล้วเราจะไม่มีปัญญาพอที่จะสามารถสอนตัวเราเองให้ปฏิบัติเพื่อให้การดลดท้นได้ยังต้องทําทานศีลภาวนาแล้วต้องขึ้นไปสูงขั้นภาวนาเต็มร้อยเอร์เซ็ต ทำทานให้น้อยเปอร์เซ็นตรักษาศีลแน่น้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็ภาวนาให้1้อยปอร์เซ็นตถ้าทำได้ครบน้อยเปอร์เซ็นตทั้งสามระดับนี้ก็รับประกันน่าว่าไม่เจ็วันเจ็ดแดนกเจ็ดปีอย่างแน่นอนคำานี้ต่อเลยครับพระอาจารย์บอกว่าฝากกับเรียนพระอาจารย์ครับคุณสิริแอนนะครับเป็นแฟนพันธ์แทพ้พระอาจารย์ให้ทำอะไรพยายามทำตามให้ได้ทุกอย่างวางแผนจะไปเวียดนามหนึ่งอาทิตย์ ตอนนี้ยกเลิกเอาเงินทั้งหมดบริจาคทําห้องน้ํำใหสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบวิเวกแทนค่ะอาสาธุแล้วความรู้สึกยป็นไงมีความสุขมากกว่านะเราเปรียบเทียบดูไปเที่ยว ม, มาเจ็ดวันกลับมาก็เหนื่อยแล้วก็ความสนุกมันก็หายไปจากหายไปแล้วก็เกิดความเหงาเกิดความอยากจะไปเที่ยวใหม่แต่ถ้าทําบุญเนี่ยมันจะ ม, มันจะลดความอยากไปเที่ยวได้ใจมันจะอิ่มด้วยความสุขจากบุญที่เราทำ แล้วทุกครั้งที่เราเห็นห้องน้ําที่เราสร้างขึ้นมาเราก็มีความ <c oughs> ปเป็นคนที่ไปใช้บันเทิงความทุกมันไมยิ่งทําให้เรามีความสุขความจุดที่เกิดจากการทําบุนมันไม่หายไปนแบบความสุขที่ได้จากาการไปเที่ยวพระอาจารย์ครับดังอย่างที้เราเห็นทุกครั้งเราได้บุญทุกครั้งเลยไหมครับอาจารย์อ้าวก็วอาถสุขใจมันก็บุญนะมันก็เป็นบุญคุณคณิตครูซุกครับ ขอกลับเรียนถามเรื่องจิตเดิมแท้จิตอมตะจิตบรรลุสภาวะนิพพานครับคือจิตเดิมแท้นี่ก็คือจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งก็คือจิตที่เข้าสมาธิเราเรียกว่าจิตเดิมแท้แต่จิตเดิมแท้นี่เป็นจิตที่ยังมีกิเลสโมหตันหาอยู่นะเพราะว่าสมาธินี่เพียงแต่กดกิเลสเอาไว้เฉยๆไม่ได้ทำงาน ส่วนจิตอมตะจิตอมตะนี่ก็หมายถึงจิตทั่วไปที่จิตนี้มันไม่มีวันตายเพราะว่าข้อจิตอมตะก็คือจิตทุกดวงไม่ว่าจะเป็นจิตเดินแท้และจิตที่บรรลุนิพพานนี้ก็เป็นจิตอมตะคือไม่มีวันตายจนจิตที่บรรลุนิพพานนี่ก็คือจิตบอยสุทจิตที่ได้ชนะความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติขั้นวิปัสสนาต่อจากสมาธิ จิตเดินแท้เนี้ก็คือขั้นของสมาธิถ้าเข้าฌานได้นี้ก็จะก็จะจิตก็จะเข้าสู่สภาพของจิตเดิมแท้แล้วถ้าอยากให้จิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็ต้องต้องชำระกิเลสตัณหาความโลภโกรดด้วยวิปัสสนาและด้วยปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาเพราะเวลาจะออกจากสมาธิมากิเลสที่ถูกกดไว้ด้วยกําลังของสมาธิก็จะออกมาเคลื่อนไหป ออาเคื่อนวถ้าเรามีปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาตัดกิเลส ท, ที่กำลังเกินไหวนี้ให้หมดไปได้พอไม่มีกิเลสของเหลืออยู่ก็เป็นจิตบริสุทธิ์หรือว่าเป็นจิตมิภานี่คุณเอสพีครับกับนักาการเรียนถามคำบริกรรมสามารถเลือกใช้คำอะไรก็ได้หรือไม่ครับก็ได้แต่ก็คนที่อยู่ในในกรอบที่ ที่พระพเจาส่งสอนใช่จะใช้ธรรมะใช้พุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือจะพุทธทางธรรมังสารงังกระชามิก็ได้อะไรในไเท่าไร่นี้อันนีจ้จากตุกขามันนั้ตาก็ได้ไม่ใช่เป็นนึกขังเงินเงินงินเงินเินคิดแต่เงินเงินเงินเงิเดี๋ยวมันยิ่งคิดคำบางคำมาคิดแล้วมันทําให้เกิดความโลกมันไม่ได้ทําให้เกิดความสมบงบเราเอาคําที่ทําให้เกิดความสงบเช่นตายตายตายตายนี่ได้ นึกถึงความตายมาวานานุสติก็ตายตายตายตา ย, ตายหรือถ้าอสุภั็ก็ดูก็นึกถึงโครกระดูกก็ได้นึกถึงศพที่ขึ้นเอ่ยก็ได้ทำเหล่นี้ต้องอยู่ในกรอบของธรรมะกรรมฐานสี่สิบอย่าไปเอาใช้ที่มันอยู่นอกกรอบของกรรมฐานสี่สิบเพราะมันอาจจะไม่ทำให้จิตสงบ คุณสารธครับกาเรียนถามว่าจะทำอย่างไรให้คุณแม่งดสูบบุหรี่ได้ครับก็บุหรี่ของ่านไปซ่อนไม่แล้เราดูซิว่าท่านจะทำยังไงแต่ก็ไ่ซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็ซ่อนเนี่ยที่เจอเมื่อไห่ก็ซ่อนเหมือนกันครับผมแต่ก็ต้องระวังเนี่ยนะทำให้ท่านกอดึ้นมาแล้วก็ไม่ดี ทางที่ดีก็เราทําใจเราเถอดปล่อยเป็นเรื่องของท่านไปไม่ใช่เรื่องของเราถ้าอยากจะสวดก็เป็นเรื่องของท่านบาปกรรมนะถ้าเราไปทําแบบนี้ไปก้่งท่านนี่ก็ไม่ควรก็ปล่อยให้เป็นไปตามตามดุลตามกรรมของท่านนั่นกันเราต้องฝึกทาใจให้เป็นอุเบกขาเมื่อเราช่วยท่านกรุณาใช้เมตตากรุณาให้กับท่านไม่ได้อยากจะช่วยท่านหยุดสวดแต่ท่านไม่ยอมหยุดก็ต้องใช้อุเบกขาแทนเป็นเรื่องของกรรมของท่านไป คุณธนิดาครับเมื่อใจสงบแล้วควรทําอย่างไรต่อคะให้สงบนานๆให้สงบจนกว่าจะนั่งต่อไปไม่ได้ค่อยออกจความสงบแล้วก็จเจรินสติต่อช่วงแรกๆที่เราเพิปฏิบัติอย่าเพิ่งไปทางปัญญากลมาเอามาก็จเจริญสติต่อเพื่อควบคุมใจให้สงบต่อแล้วพอพอมีเวลากลับไปนั่งใหม่ได้ก็กลับไปนั่งใหม่นั่งให้นั่งมา ก, มาก เราไม่เวลาจากสมาธิก็จะลาสติให้มากมากจนเราสามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วทุกครั้งนั่งห้านาทีสิบนาทีจิตกส็สงบแล้วก็อยู่ได้เป็นหลายนาทีเป็นหลายสิบนาทีเป็นชั่วโมงอย่างนี้ถ้าเราได้ถึงขั้นนี้แนละ้วเถึงขั้นต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็เริ่มใช้ปัญญาสนใจว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปรับไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะการไปมีสิ่งเหลนี้จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไปยึดไปถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเราคุณดูดีครับนรัสการครับท่านอาจารย์ติเหตุต ก, กะบุคคลคือใครและมีอะไรบ้างครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยเราไม่เคเยศึกษามาทางด้านบาลีลนะครับคุณแพทครับกราบเรียนถามค่ะเคยได้ยินว่าบางคนปฏิบัติธรรมแล้วเพี้ยน เกิดขึ้นเพราะอะไรคะแล้วจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะเพราะไม่ได้ศึกษาทางอากทำราและไม่ปฏิบัติตามทำลายหรือครูบ า, าอาจารย์ปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเวลานั่งนนก็ไม่ได้มีสติคอยควบคุมนั่งแล้วก็ปล่อยให้จินตนาการจิตจินตนาการปรุงแต่งอะไรขึ้นมาพอมีอะไรปรุงแต่งขึ้นมาก็ก็แปลว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นเทศเป็นพรกเป็นอะไร อย่างที่มีคําถามถามกันอยู่เรื่อยเวลานอะนหลับฝันไปแล้วฝันถึงเรื่องนี้แสดงว่ามีเทวดามาเนี้่อันนี้จะทําให้เพลินได้ถ้าเราไปเชื่อเชื่อในความคิดนึกนลกคิดของเราอย่าไปเชื่ออะไรที่มันปรากฏขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ก็เพียงแต่รับรู้ว่าให้มันเกิดขึ้นแล้วให้มันผ่านไปะล้ามีโอกาสก็ไปถามผู้รู้ผีกพินว่ามันเป็นอะไรกันแน่ บาคนไม่ยอ ม, มไปถามกันเลยฉันบอกเเองโอ้พระอรหรันต์มาเยี่ยมเราแล้วพนระเนี่ยพระอรหรันต์เอานิพพานมาให้เราแล้วนะ้นอมถึงนิพพานแล้วพราะเราได้พบกับพระอรหันต์แล้วอย่างนี้มันเป็นเรื่องปรุงแต่กขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาของจิตเราไม่รู้สึกตัวเราคิดว่าเป็นเรื่องเรื่องเป็นเรื่องจิตเรื่องจากกันมาแต่ทั้ ง, ท, งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่กของของใจ <Okay. S 1> คุณวิไลครับ เราตั้งใจใส่บาตรแต่พระท่านปฏิเสธถูกต้องหรือไม่เจ้าคะคือตามพระวินัยนี้ถาพระบาทท่านเต็มแล้วท่านปฏิเสธได้แต่โดยธรรมเนียมแล้วมักจะไม่ปฏิเสธกันเพื่อเพราว่าผู้ที่ให้นี้เป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีก็ควรที่จะสงเคราะห์ถึงเนิ่นจะใส่บาตรไม่ได้ก็อาจจะให้ใส่ถุงใส่ย่ามหรือไปแทนก็นได้ถ้า พ, พระมีความเมตตาที่จะสงเคราะห์ยากเย็น พยายามยอมได้ทำบุญทางวัดเราจะมีลูกศิษย์มาคอยถ่ายบาทให้อยู่เรื่อยๆถ้าทำตามพระวินัยใเดินก็แค่สี่ห้าคนก็เติมบาทแล้วกลับวัดได้นะแล้วบอันนี่วันๆยังนีคนใจอย่างวันนี้ก็สี่ร้อยกว่าคนนี้ครับทําไมต้องรับล่ะถ้ารับตามพระวินยัยพระวินัยบอกว่าห้ามรับเกินอาหารที่ได้เตินบาทออันนี้หมายถึงถ้าเป็นพาร์แบบที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขา บินดบบาบะตามลาพังไม่มีเป็นสายไม่ได้เป็นตัวแทนของวัดเป็นเป็นการบาินาบะสหรับตนเองเราก็เดินไปพอเขาเต็มบะเขากลับวัดนเเดินทางกลับวัดบางทีมีคนมาดักสายบงที่เขาหิ้วันไม่ไหวษษก็เราขอปฏิเสธไปเขาไม่มีโรู้ิษย์คอยมาช่วยถือของให้ด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องการบินดบบาบะมันมีหลายลักษณะถ้าบิน บ, บาบแบบเป็นเหมือนกับเป็นของวัดทํา เราเดิ น, น, นเป็นสายนี้ก็ต้องรับทุกคนที่รอรอใส่บาตรจะมากจะน้อยจะเต็มก็ไม่เต็มก็ต้องมีลูกศิษย์มาคอยถ่ายบาตให้เพื่อฉลองศรัท ธ, ธาของผู้ที่มีมีจิตศรัท ธ, ธาในความเมตตาอยากจะสนับสนุนพระพุทธศาสนาเราก็ต้องส่้อคกับเพราะเขามีเจตนาที่จะสอ ง, คองเคาะเราเพราะเราต้องรับเราต้องมีลูกศิษย์มีรับรับคน จมีรถปิการ์มาสองสามคันมาคอได้ครับแต่โชคดีหลานนี้นไม่ต้องขนกรนะเป๋าแล้วเพราะมีคนยากคนจนมายืนรนะับของที่ได้ามาจากดินแถ้า็เลยแด่งส่วนหนึ่ง เ, เอากลับไปวัดนนะและอีกส่วนนึงก็แจกคนยากคนจนที่มาขอครับคุณให้ประโยชน์มากเลยนะครับอาจารย์ครับ<ม>รอบหนึ่งได้ทั้งสองสามคันรถกระบะมั้งครับอาจารย์ วันนี้ต้อง460 460คนวันนี้ก็300กว่าเสาร์ที่คนจะเยอะแล้วที่ยิ่งถ้าเป็นตรงกับวันพระเลยก็ยอีกสองเท่าถ้าวันเสาร์ที่เป็นวันพระเลยมันเยอะสองเท่าแล้วถ้าเป็นเป็นวันเทศกาลยิ่งเยอะใหญ่มันวิสาขาวันมาพระวันเข้าพรรษาอะไรนี่กันเยอะมันตปีใหม่ก็จะเยอะครับอาจารย์เคยเดินบิถะบัติเยอะที่สุดกี่คนนะครับอาจารย์ ประมาณพันเศษเศษพันสองพันสองคนรครับคุณธนาภาัทครับถ้าลมหายใจหายไปละเอียดเราจะจับอะไรแทนครับหรือแค่กำหนดรู้อย่างเดียวครับก็รู้ควา ม, ม, ามว่างไปคอยคอยดูว่าคอยสังเกตดูว่าเราคิดปูุกแตงหรือเปลา่าคอยคอยเฝ้าดูความคิดแทนถ้ามันคิดเราก็ต้องหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิด คุณดารพรครับคำกล่าวว่าอุทิศบุญคําว่าแผ่เมตามีความหมายและนําไปใช้อย่างไรคะคือมันคล้ายๆกันแต่มัตนต่างกัคล้ายๆกันก็คือว่าการอุทิศบุญก็เป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึ่งแต่การแผ่เมตตานี้ไม่ได้เป็นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นมีการอุทิศบุญด้วยแผ่เมตตาแล้วไม่อุทิศบุญก็ได้เพราะการเมตตานี่คือการให้ความสดแค่โทษ คำว่ า, าแผ่เมตตาก็คือให้ความสุขกับผู้อื่นหรือให้อภัยในโทษที่เขาทากับเราแผ่เมตตามีสีลักษณะอาเวลาหนุนตบคือเราไม่มีเวรกับผู้ที่เข้ามาทําให้เรากดเกลียดทําให้เขเราเดือดร้อนเสียหายเราให้อภัยเขาไม่จองเวรข้อที่สองไม่เบียดเบียนกันไม่ทําอะไรไม่ไปทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนข้อที่สาไม่ไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของเขา ข้อที่สี่ให้ความสุขกับเขาเป็นซันตาคลอสไงข้อที่สี่นี้ให้เราเป็นซันตาคลอสมีของขวัญมีของอะไรที่เราพอจะแบกไปให้คนที่เขาไม่มีได้ก็ให้เข้าไปนี่คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําด้วยนะเข้าใจไหมไม่ได้แผ่จากการสวดอย่างที่ญาติโยมส่วนส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่านั่งสมาธิเสร็จสวดมนต์เสร็จก็ต้องสวบดบกแผ่เมตตาถือว่าได้แผ่เมตตาความจริงยังไม่ได้แผ่การสวด ต้องแผต่ตอนที่เราพบปะกันพบปะใครก็ยิ้มให้เขาก่อนนี่ก็เป็นการให้ความสุขกับเขาใช่ไหมสามชั่วโทุกสุขดีไม่ใน่าเบื่อตึงสายกันแล้วถ้าเกิดเขาทำอะไรผิดพลาดก็อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไ ร, ไนไรให้อภยัยกันเรียว่านี่คือการแผ่เมตตาส่วนการอุทิศบุญนี่ก็เป็นวิธีแผ่เมตตาแบบหนึ่งให้ความสุขกับผู้ที่ร่ำลับไปแต่วเพราบุญก็คือความสุขใจ ที่เกิดจากการทําบุญของเรานี่เองพอเราทําบุญแล้วเราเกิดความสุขใจเรียกว่าบุญเราสามารถแ บ, บ่งความสุขใจนี้ให้กับดวงวิญญาณที่ยังไม่มีความสุขได้คือพวกเปรตนี่ก็หิวเราโมที่บุญนี้ให้กับเขาไปได้เขาก็ได้บุญได้ความสุขใจจากเราแล้วก็เขาก็เกิดความรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาคุณมะลิครับ กราบน้ำมการเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรจะลบความรู้สึกผิดจากใจได้เพราะตอนคุณพ <illnesses, S 1> <the> ่อทำให้ท่านเสียใจด้วยความโง่เขลาขาดธรรมะนำทางจริงๆรักท่านมากแต่ทิฏฐิมานะทำให้ไม่พูดและเมินเฉยต่อท่านไม่เข้าใจท่านครับก็ก็อยว่นะก็ให้เราทำนึกผิดนะถ้าเราถ้าท่านอยู่ก็ประกาศขอขมากับท่านแต่ถ้าท่านต้องับไปแล้วก็เราก็ พยายามอสอนใจเราว่าเวลาทำอะไรไม่ดีแล้วจะทำให้เรารู้สึกไม่ดีนั้นแต่พยายามต่อไปเวลาจะคิดจะทำอะไรไม่ดีให้เล่องหยุดความคิดนั้นก่อนอย่าไปทาก็ทำได้เท่า น, นี้เอาบทเรียนที่ทาที่ผิดพลาดกันั้นมาสอนใจอย่าให้มันไปมีเป็นประวัติซ้ำรอย แล้วก็ให้ยอมนบว่ามันผ่านไปแลนะ้วเราเขาอดีตมันเรากลับไปแก้มันไม่ได้นะแต่เราแก้ปัจจุบันหน้าคือป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำชาติได้คุณปาริชาติครับกราบพระอาจารย์ค่ะมีคนที่รู้จักเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อของเขานั่งสมาธิเป็นประจำและฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนวันหนึ่งก็หมดลมหายใจในระหว่างหลับทั้งๆที่ไม่มีโรคภยัยใดๆมาก่อน จึงเชื่อกันว่าจิตของเขาไปสู่สถานที่ดีมีส่วนจริงไหมครับพระอาจารย์ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ล้าฝึกสมาธิบ่อยๆเวลาเขาจะตายเขาอาจจะเข้าสมาธิไปก็ได้เราไม่รู้เพราะร่างกายเขาไม่ใช่เป็นใจเราไม่สามารถดูจากร่างกายได้คุณสุวั์ครับ า ก, การนมมัสการพระอาจารย์ครับกำลังศึกษาและปฏิบัติสภาวะธรรมสัมผัสเกิดรู้กายที่เดินนั่งรู้เวทนาปิติรู้จิตคนละคนกับกายและจิตแต่ละสภาวะไม่ได้เกิดขึ้นถาวรเพียงแต่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติให้ได้สัมผัสส่วนทางธรรมสัมผัสถึงสิ่งใดๆล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่แน่นอนทําให้ย้อนกลับไปถึงวันแรกที่ศึกษาธรรมว่าวันนั้นต่างกับวันนี้มากผมขอสอบถามเกี่ยวกับกายในกา ย, กายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมคือสภาวะ ถัดไปที่ผมต้องฝึกปฏิบัติต่อไปใช่ไหมครับผมขอคาแนะนําจากพระอาจารย์เกี่ยวกับหลักปฏิบัติครับเราปฏิบัตินัขัน้นต้นนั้นต้องเจริญสติก่อนด้การให้เรารู้การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายตลอดเวลาร่างกายกําลังทําอะไรให้มีสติรู้อยู่กับการทําสิ่งต่างๆโดยไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเจริญสติให้ได้ก่อน พเพ ร, รับความคิดต่นานงๆปกติใจเราชอบคิดพร้อมกับทำนึ่งนึ่งนั้นเรื่อ ง, อง น, น, นี้อาบน้ําไปเราก็คิดถึงงานบ้างคิดถึงเพื่อนน้างคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตบ้ถ้าทําแบบนี้เรียกว่าไม่มีสติทําไม่ไดถ้ถ้าอยากจะใจอยากจะมีสติต้องไม่คิดเลยให้อยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่แล้วเราลังอาบน้ำก็ให้ฟ้องอยู่กับการอาบน้ําอย่างเดียวรับประทานอาหารได้อยู่กับการรับประทานอาหาร อันนี้ก็เรื่องเรื่องเรื่องการเจริญสติถ้เาเสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องควบคุมความคิดไม่ลอยไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เราก็มานั่งสมาธิต่อนั่งสมาธิแล้วก็เฝ้าดูลมหายใจแทนอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายร่ า, างกายตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรแนละ้วก็มีแต่ลมหายใจที่ยังมีการเคลื่นอนไหวแล้วก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้ามา่ตมม้อามลมเพียงแต่ให้รู้ว่ามันเข้ามานันออก ให้รู้ว่ามันสร้างนม่ยอวหยากไม่ไละเอยียดทั้งนี้ถ้าเราทํายี้แล้วไม่ไปคิดถึงเร่องราต่างๆไนดะจิตเราก็จะเข้าสู่สมาธิไดนะ้พอเข้าสู่สมาธิจิตเราก็สงบมีความสุขมีพลังมี ม, มีอุเบกขาเราก็ฝึกขั้นนี้ให้ชนานาญก่อนไม่ใช่พอได้ครั้งเดียวแล้วเราก็จะไปขั้นต่อไปอย่างต้องฝึกขั้นนี้การเข้าสมาธิได้ข้างหน้านี้ยังเหมือนกับยังไม่แน่นอนอาจจะฟุบก็ได้ ก็ต้องมองทดสอบดีว่าทั้งต่อไปนั่งเราจะเข้าได้หรือไม่ได้ต้าสามารถทําจนกระทั่งสามารถเข้าได้อย่างรวดเร็วง่ายได้ทุกครั้งไปเมื่อเราจชานานขั้นนี้แล้วขั้นต่อไปเราถึงไปศึกษาเรื่องกายเรื่องเมตญาเรื่องจิตตามลำดับเอาที่เราเรื่องเริ่อตอนก็ศึกษาเรื่องกายว่ากายของเรานี้มันเป็นธรรมชาติของมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ย ง, ยงใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็เกิด แเราห้ามันได้ไหมห้ามันแม่เกิดไม่มันแกเ่เจ็บตายได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆให้พิจารณาความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ที่เกี่ยวกับร่างกายพอเรายอมรับความจริงของมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลามันจะตายก็ยอมรับเวลามันเจ็บก็ยอมรับอย่างนี้ใจก็จะไม่ทุกข์กับ ความเจ็บความตายของร่างกายถือว่าเราผ่านเรื่องร่างกายไปได้ส่ว น, นหนึ่งแลครึ่งหนึ่งอีกเครื่งหนึ่งก็เรื่องของความรักในร่างกายเรายังอยู่ในเพศสัมพันธ์อยู่เราอยากจะมีพอเราเวลาเห็นร่างกายที่สวยงามหรือหล่อล้วเราต้องเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ต้องแก้ตัวนี้ให้ได้เพราะตัวนี้จะทําให้เราทุกข์เวลาที่เราเกิดอารมณ์แล้วไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ เราก็ต้องแก้มันด้วยการมองร่างกายในมุมกลับกันท่านี้อย่ามองในมุมที่สวยงามก็มองในมุมที่น่าเกลียดน่ากลัวเป็นมองในตอนที่ร่างกายเป็นซากศพหรือมองดูเอาวิญวะภายในของร่างกายถ้าเห็นอย่างนี้แล้วอารมณ์ที่เกิดความร่างความใ ค, ความความอยากจะเสดเศรษกามอยากจะร่วมเสดมีเพศสัมพันธ์มันก็จะหายไปใจก็จะไม่ต้องทุกข์ อยู่คนเดียวหน้าไม่เหนาไม่มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีการเสพมีมีเพศสมัมพันธ์กับใครถ้าเราทําข้อ น, นี้ได้ก็ถือว่าเราสอบเรื่องของร่างกายผ่านแล้วก็เรื่องของเวทนาเราก็ต้งมามามาอยู่ความเจ็บปวดของร่างกายก็สอนใจว่าเราก็ห้ามมันไม่ได้กําจัดมันไม่ได้เวลามันเกิดก็ต้องอดทําใจอยู่กับมันไปให้ได้ ถ้เราอยู่กับความเจ็บปวดได้โดยไม่รู้สึกเดือดร้อนแล้วก็ผ่านแค้นเมตนาไปได้แล้วเราก็ไปถึงสู่ ข, ขั้นจิตอีกทีหนึ่งก็ดูเรื่องของการแปรปรวนของจิตเราจิตเราก็มีการแปรปรวนอยู่เลยบางวันก็มีความสมบมงบบางวันก็ไม่สมบมงบบางวันก็เครียดบางวันก็ฟุ้งซ่านอะไรทำนนี้เราก็ต้องเกิดอดปล่อยวางคือหัดอยู่กับมันไป ไม่ใช่ใช้เลือกเราแต่ส่วนที่ดีอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีเราไม่ต้องการอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราเวลาเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องกา ร, รามันก็จะทำให้เราทุกข์ได้อันนี้คือกับเวทนาต่ามนตรงที่เวทนาคือความรู้สึกเจ็บไม่เจ็บแต่เรื่องของใจเรื่องของจิตและเรื่องของอารมณ์ <Okay. S 1> ก็พิจารณาใต้รักเหมือนกันจนกว่ารเราจะไปล่อยได้ ส่ว น, นเรื่องธรรมนี้เราก็ไม่ต้องพิจารณาเพราะธรรมนี่ก็คือสิ่งที่เราใช้ในการปฏิบัตินี่ไงสติเอ่ยปัญญาเอ่ยสมาธิเอ่ยแล้วก็มีอยู่แล้วก็แสดงว่าเรามีธรรมอยู่ในใจคุณแอนก้อยครับเรียนถามพระอาจารย์เคไร้ยินพุทธทรรมนายมี 5,000 ปีการมาของความเสื่อมโลกมนุษย์มีเขียนไว้จริงไหมครับและเกิดจากเหตุของความเสื่อมอะไรได้บ้างครับ อันนี้เราก็ไม่ได้พบในไม่ได้อ่านจริงๆว่ามีอยู่ในพระตไตรปิฎกหรือเปล่าการมีการพูดกันมาต่อเนื่องว่ามีการทำนายของพุทธเจ้าเกี่ยวกับไม่ใช่ความเสื่อมของโลกมนุษย์นะแต่เป็นความเสื่อมของพุทธศาสนา ค, คือเหตุมาจากที่ที่พรเจ้าหลังจากได้ตัดสินแล้วทำในวางก็มาใหมนุ์ให้ท่านกลับไปโปรดพระราบบิดาให้ไปโปรดญาติโยม พอนั้นเข้าไปในวังพระพุทธมารดาแม่เรียน mm hmm. ก็เป็นคนตัดเย็บจีวรด้วยตนเองอยากจะถวายให้กับพระพุทธเจ้า mm hmm. ให้พระพุทธเจ้าได้ใช้อย่างพุทธเจ้าก็ปฏิเสฐไปสามครั้ง mm hmm. บอกว่าให้ไปถวายเป็นของสมแทนอย่าถวายเจาะจงเป็นของบุคคลให้ถวายเป็นของกงรมสี mm hmm. เป็นของส่วนรวมเพื่อคนที่เขามีขาดขาดผ้าจะได้ ได้เอาไปใช้ได้แต่ถ้าถวายกับพระเจ้านี่ก็หรือจะมาขอใช้ไม่ได้เพราะเป็นของพระเจ้าแต่ถ้าวัดถวายเป็นของสงเรียกวสังฆทานสงเป็นสิทธิ์ของพระสงฆ์ทุกรูปรูปใดรูปหนึ่งถ้าขาดแคลนจีวรไม่พอใช้ก็ามาสามารถเอาจีวรเผื่นี้ไปใช้ได้พระเจา้าบอกถ้าทําอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการทำยกความนุ่งสงทำยกความนุ่พระพุทธศาสนาเพราะว่าศาสนานี่ <c oughs> ไม่ได้อยู่ที่พุู้เจ้าองค์เดียวถ้าอยู่กับผู้เจ้าองค์เดียวเดี๋ยวผู้เจ้าตายไปาศาสนาก็หมดถ้าอยากให้มุนทศศาสนาอยู่ไปานานก็ต้องทําน้มน้อมลงพระสงฆ์ให้มีพระสงฆ์มอยู่เรื่อยๆเพราะพระสงฆ์นี่มีมาเข้ามาบวชทดแทนพระที่แก่ตายไปอยเรื่อยๆถ้าเราถ้าเราไม่ไปจอดจมบุคคลเดี๋ยวถ้าเจอดจมบุคคลมาบุคคลนั้นตายไปาศาสนาก็ตายไปกับพระนู่นน ก็จะให้สวายสังฆทานของต่างๆบัตรปัจจัยสีพวกจีวรเครื่องนุ่งหง่ม อ, อาหารบิณฑบากตกุฏิที่อยู่อาศั ย, ยรักษาโรคนี้ให้ถวายเป็นสัรฆทานเพื่อที่จะได้ทานุบำรงุงศาสนาให้อยู่ไปได้ถึงห้าพันปีท่านพูดอ่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนะแต่ไม่เคยอ่านว่าอยู่ในอยู่ในข้อตายปิดกหรือไม่ท่านบูา้าดผู้รู้ถ้าท่านาทราบจะมาแจ้งให้ทราบ ในตอนนี้ก็จะขอน่นนู่ทนทางด้านด้วยพอใจไหมแต่การเสื่อมของโรงนี้พระเจ้า ก, ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันแต่เป็นการเสื่อมทางด้านศิลธรรมจิตใจของเรานี้จะเสือ่อมจากศีลธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเปรียบเทียบเมื่อ 2,500 กว่าปีสมัยยุ ข, ของพระเจ้าเนี่ยคนนี้มีจิตใจที่สูงทางด้านศีลธรรมอายุคนี้คนเสือ่อมจากศีลธรรมมากขึ้น คนปฏิบัติทางศีลธรรมน้อยลงน้อยลงน่าจะเสื่อมต่อไปมากกว่านี้ต่อไปทำไม่มีคนรักษาศีกียจะทํำบาป ก, กันเพื่อผลประโยชน์จะมองคนเป็นเหมือนกับเป็นเนื้อเป็นผักเป็นปลาฆ่าฟันกันเป็นเนื้อเป็นผักเป็นปลาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนที่กันแล้ยุคของมินกัสันยีครับนอันนั้นจะถึงเมื่อไหร่ไม่ท่าไม่ได้บอกเวลาไว้แต่ท่านเพียงแตบอกว่าสภาพของจิตใจของ ของมนุษย์เราจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆต่อไปจะอยู่กันเยี่ยงสัตว์ในราชาสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยคุณเยาวภาครับมีญาติที่ขอกู้เงินโดยเราไม่ได้กําหนดดอกเบีย้ยเองจะบาปไหมเจ้าคะการกู้เงินจะกําหนดดอกเบีย้ยก็ไม่ดอกเบีย้ยก็ไม่บาปเพรา ะ, ะมันอยา่ที่เป็นเรื่องเพราว่าเราต้องการผลดอบแทนจากการเาให้เขากู้หรือเปล่า ถ้าเราต้องการผลประโยชน์จากการให้เขาคู่เราก็กำหนดดอกเบี้ยได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการผลประโยชน์เราอยากจะส่คข้อช่วยเหือเขาเพีงแต่ว่าเรายังอยากจะได้ต้นคืนแล้วก็เพียงแต่ไม่คิดดอกเบี้ยก่อนอันนี้ก็ทําได้ไม่บ่าปคิดดอกเบี้ยก็ไม่บาเพียพงแต่จะขาดความเมตตาเพราะเป็นเหมือนกัเป็นธุรกิจเป็นการตอบแทนกันไม่ใด้เป็นการทําบุนไม่ได้ยเป็นการแผ่เมตตาถ้าแผ่เมตตาก็ไม่คิด ไม่คิดค่าค่าค่าตอบแทนให้เขายืนไปแต่ขอให้เขาคืนนะหรือถ้าคิดว่าถ้าเขาไม่คืนเขาไม่เป็นไรก็ยกให้เขาไปในการทําบุญดำทานไปอย่างนี้ก็เรียกว่าการแผ่เมตตาไม่บาปเป็นบุญคุณท่านนันชัยครับถ้าไม่มีห้องพระสวดมนต์นั่งสมาธิในห้องนอนได้ไหมครับได้นำมาในห้องนอนก็ได้ คุณบุบผาครับการนิมิตการค่ะพระอาจารย์เวลานอนหลับไม่ค่อยฝันอะไรเลยดีไหมคะนอนไม่ฝันอะไรก็ดีแสดงว่าจิตเราสงบมากนะถ้าจิตเราไม่สงบมันก็จะฝันมากถ้าจิตสงบมันจะไม่ค่อยฝันคุณสุภาพรครับขอกาบเบียนถามระหว่างที่พระให้พรสามารถอธิษฐานขอพรได้ไหมคะและการปฏิบัติที่ถูกต้องควรทําอย่างไรคะคือการให้พรของบ้านนี่ไม่ได้เป็นการให้พระ คือไม่ได้ให้เราล่ำไม่รวยให้เราสุขไม่เจริญด้วยอายุวันนสสุ ข, ขะพระละอันนี้เป็นการให้แสดงความปรารถนาดีทําให้กับญาตโยมกับเราส่งสรีก็สอนอย่างนี้ ส, งอสอง่งศรีนี้แล้วก็อวยพรปีใหม่ให้แต่กันแต่ความจริงมันไม่เป็นพรมันเป็นความปรารถนาดีจะสุขจะเจริญจริงหรือไม่นีน่มันไม่ได้อยู่ที่การอวยพรของเราใช่ไั้ยการสวดบนให้พร น, นี่เป็นการแสดงความปรารถนาดีของพระเท่านั้นเอง ญาติโยมที่มาทําบุญส่วนญาติโยมจะจะสุขจะเจริญอยู่ไหมให้อยู่ที่การทําความดีหรือไม่ทําความดีนะครับถ้าทําความดีญาติโยมก็สุขเจริญจะขอหรือไม่ขอไม่ต้องขอถ้าทําแล้วมันจะได้เหมือนกินข้าวกินข้าวแล้วไม่ทำไปขอให้อิ่มใช่ไหมขอให้กินไปเถอะกินไปใจป า, ามันจะอิ่มแล้วก็ค่อยหยุดกินอันนี้ก็เหมือนกันพอ น, นี้ขอไม่ได้พรต้องทําำ ความสุกคารเจริญของทางด้านจิตใจนี้เราทํากันด้วยความร่ำรวยทางทางลาภและสารเสร่อสุขก็ต้องทำกันนะไม่ใช่อยู่ดีๆขอแล้ามันจะมาถ้าขอมาเราก็ไม่ต้องไปทํางานทําการไปนั่งขอขอให้ร่ำให้รวยมันไวยออกก็ไปนั่งลองขอดูดสิมันจะรวยไหมส่วนใหญ่จะจดยังน่นมากกว่าจะรวย<ำ>นั่นขอเรานี่ยมันขอไม่ได้ คุณสมจิตครับเมื่อตั้งใจทําบุญทําความดีต่างๆทั่วไปแล้วไม่ชอบอธิษฐานขอสิ่งใดให้เกิดขึ้นกับตนเองเพราะคิดว่าการอธิษฐานเหมือนการแลกเปลี่ยนกันคิดว่าสิ่งใดๆที่ทำไปแล้วย่อมส่งผลให้แก่เราเองคิดเช่นนี้ผิดปกติหรือไม่คะก็เป็นคําตอบที่เราตอบไปเมื่อกี้นีเน้เป็นวิธีที่ถูกต้องขึ้นอยู่ที่การกระทำของเราเป็นหลักเราทำเราทําอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญนั้น จะขอแล้วไม่ขอมันไม่มันไม่มีผลใดๆทําทบาปแล้วขอให้ไปสวรรค์นี่ขออยังไงก็ไปไม่ได้ทาําบุญแล้วไม่ขอไปสวรรค์มันก็ไปสวรรค์ในวันวนั้นเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลนะครับคุณวรพรครับกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าขาถ้าเราทําสมาธิไปเรื่อยๆจนได้ฌานสี่ถึงแปดแต่ว่ายังไม่ทําวิปัสสนาหรือทําวิปัสสนาแล้วแต่ยังไม่บรรลุผล แต่เราตายก่อนอยากทราบว่าเราจะไปเกิดมนุษย์ต่อได้หรือไม่เจ้าคะเผื่อทําวิปัสนาต่อจนบรรลุมรรคผลหรือว่าเราต้องไปเกิดในสวรรค์และพรหมตามที่เราได้ชานนั้นๆเจ้าคะก็ต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่เราได้ก่อนแต่พอบุญหมดเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วเรามาปฏิบัติต่อได้คุณตุ๊กครับถ้าปฏิบัติดีหมั่นทําบุญและรักษาศีลตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัะสตว์ตามควร บุญกุศลต่างๆที่เราทำจะส่งผลให้บิดามารดาโดยออโต้แม้ไม่ต้องแผ่เมตตาเพราะเราใช้ร่างกายที่ท่านให้ไปทำเรื่องดีๆเป็นแบบนั้นหรือไม่เจ้าคะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นการใครกรรมใครทำกรรมนั้นได้ว่าเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมดีและกรรมไม่ดีก็จะเป็นเป็นผู้รับผู้กระทำเป็นผู้รับไปทำเนื้อให้คนอื่นรับแทนได้ คุณลังครับภริยะที่เข้านิพพานแล้วท่านสามารถออกจากนิพพานเพื่อกลับมาปาฏิหาริย์พุทธภูมิได้ไหมครับนิพพานแล้วออกนิพพานมาเป็นพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระเดจเจ้าได้ไหมครับนิพพานนิพพานแล้วมันก็เท่ากับไปถึงพุทธภูมินะพุทธภูมิกับสาวกของผมนี่จุดหมายปลายทางก็คือนิพพานอเดียวกันเมื่อไปเพียงแต่วิธีไปมันต่างกันนั่นเองเหมือนกับคนเดินทางกลับบ้านด้วยการเรียกเรียกรถกราบมาเรียกือคุณขับรถของคุณเองคุณก็ถึงบ้านแล้ว คุณถึงบ้านแล้วคุณบอกไม่เอาไม่อยากจะกลับบ้า น, นด้วยรถกราฟอยากจะกลับบ้านด้วยการขับรถเองออกจากบ้านไปเพื่อไปหารถแล้วขับรถกลับเข้ามาเมันก็มันก็มาถึงจุดที่หมายปลายทางอันเดียวกันงั้นพุทธภูมินึอสาวุกภูมินี้เป็นวิธีการไปถึงนิพพานที่ต่างกันพุทธภูมิก็คือการไปถึงนิพพานด้วยตนเองขับรถของตอนเองไปแต่ถ้าเกิดเราไม่มีรถนี้ยเราก็ต้องอาศัยรถของคนอื่น อาศัยแกรบอย่างนี้เราก็เรียกแกรบไปเราก็ไปถึงอี ก, อกวิธีหนึ่งก็มีสองวิธีสาวกภูมิก็ต้องอาศัยรถของรพระพุทธเจ้าขอยืมรถของรพอระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปถึงน้บขอใช้บริการรถของพระพุทธเจ้ามารับเราไปสู่สู่นิพพานคือต้องต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราไปนิพพานเพราะเราทําทางเราไม่รู้จักทางไปนิพพานแล้วไปอย่างไรเราก็เลยต้องขอ ขอให้ผู้เจ้าสอนแบบคำเรียกเขาเป็นสาวกกระพุ่ม <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสาวกกบภพุ่มแล้วพุทธภูมมันเข้าไปที่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือพระนิพพานหลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเท่ากันไม่ต่างกันเป็นคนกลับบ้านด้วยวิธีนั่งรถเมล์ไปแล้วเดินกลับบ้านมันก็มันก็ถึงบ้านเหมือนกันพอถึงบ้านแล้วมันก็ไม่ต่างกัน <c oughs> คุณวันเดบูเม้นครับ ท่านอาจารย์คะตอนหลานสาวเรียนอนุบาลติดเห่ากันทั้งห้องเรียนเลยคะ่ะมีคนบอกว่าค่าเห่าไม่บาปขอคําแนะนําจากท่านอาจารย์ด้วยสจคะ่ะก็ไม่รู้มือนกว่าเห่ามันมีอยายตนะหรือเปล่มันไม่มีอยายตนะตามขอมูลวิญญกายอย่างได้อย่างหนึ่งรับกถือว่ามันมีดวงวิญญาณแล้ว ม, มีดวงวิญญาณก็ต้องบาปคุณธนพัทรครับ ถ้าลมหายใจหายไปละเอียดเราจะจับอะไรแทนครับหรือเราต้องกําออกอันนี้ถามเ้วครับรู้เฉยๆเลยรู้รู้กับความรู้รู้ดูจิตดูความ่ากไปแล้วคอยดูว่ามีความคิดโผก่ขึ้นมาหรืไ ม, มถ้ามีความคิดก็หยุดคิดอย่างไรมันคิดคุณนิรันดร์ครับ เสียใจเรื่องแม่ที่จากไปมากที่ถึงแม่มากจะทําบุญอย่างไรถึงจะส่งถึงแม่ได้คะจะมีทางรู้ไหมคะว่าแม่อยู่ดีหรือลำบากไหมคะต้องปฏิบัติธรรมถึงขั้นไหนถึงจะส่งบุญถึงแม่คะออการทำบุญนี้ยไม่ต้องปฏิบัตทำทำิธรรมทำทานก็ก็ถึงแล้วทําบุญทำทานแบบใดก็ได้จะถอยเงินให้วัดจะใส่บาตรจะสร้างกุฏิจะช่วยสร้างศาลาสร้างโบสถ์หรือจะสร้างโบสถ์เพื่ช่วย ก็บริววจาคสร้างโรงพยาบาลอยากที่เสียชีวิตาเาลีิการบริจาค ก, กันให้กับโรงพยาบาลก็ได้กันได้บุญเหมือนกันทํามากก็จะได้บุญมากส่งบุญไปได้มากทําน้อยก็ส่งบุญไปน้อยได้น้อยส่วนผู้ที่จะรับบุญนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขารอรับหรือไมก็ขึ้นอยู่กับสถานะ้าของเขาแล้วก็เป็นทเทวดาก็มีบุญมากขเขาก็ไม่ม า, ารับบุญที่เราทิ้ไป พระบุญที่เราทิดไปมันเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานแต่เขาถ้าเขาเป็นเทวาดาเพราะก็เป็นเงินเศรษฐีเศรษฐีก็จะไม่มาลาบุญที่ให้กับขอทานคุณน้องหลินครับผลจากการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ยึดติดร่างกายทําให้ไม่รู้สึกเจ็บป่วยมากมายเป็นความสุขที่เกิดที่จิตใจเหมือนอยู่ในตนต้นไม้เลยเจ้าค่ะความรู้สึกเหมือนเทพประจําต้นไม้เจ้าค่ะ ร่างกายจะเป็นอะไรก็เป็นนี่คือผลจากการปฏิบัติใช้ใหม่เจ้าคะใช <c oughs> ่คือเรื่องของร่างกายนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติก็ได้เพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันมันมีโรคภัยไข้เจ็บมันมีเรื่องของการดูแลรักษาการรับประทานอาหารแล้วก็มันก็มีเรื่องของบาปบุญในอดีตก็มีส่วนที่จะมากระทบกับความความเป็นไปของร่างกายได้เหมือนกันมันมีหลายปัจจัยด้วยกัน เนการปฏิบัติของเราก็อาจะมีส่วนส่วนหนึ่งที่อาจจะสนับสนุนให้ร่างกายมันมีสุขภาพที่ดีก็ได้แต่ไม่ใช่อย่างเดียวมันมีอย่างอื่นด้วยคุณชัดครับหมอกับชาวนาอาชีพไหนมีโอกาสบรรลุ ธ, ธรรมมากกว่ากันครั บ, รบก็เท่ากันเนี่ยอาชีพสังเสานี่ไม่าสามารถทําให้บรรลุ ธ, ธรรมได้มากน้อยต่าง ก, กัน พราะลูกชาวนาเป็นผ้าหนาขึกก้นมาเยาะๆหลวงปู่มั่นให้เราเป็นลูกชาวนาคนที่เป็นหมอมันยังไม่เคยได้ยินข่าวว่าบนรลุกัน่ะเป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยได้ยินแต่เราได้มีหมอบวชกันอยู่บ้างอาจจะมีก็ได้มันมีหมออยู่รุ่มหนึ่งที่พวกคุณตุ๋นเขาพูดถึงอย่างเงืเง่อยท่านอะไรที่ท่านท่านมาบวชเป็นพระแล้วก็ท่านแถวตายไปถูกอนนท่านมาทำลายท่านเป็นเด็กไหย มก็มีศรัทธายเยอะๆคือว่าท่านก็ บ, บริรรทุกทำเหมือนกันท่านก็เป็นหมอเหมือนกันดงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อาชีพมันอยู่ที่ว่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคำสอนของพระมเจ้าได้หรือเปล่าซึ่งการปฏิบัตินี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหมอมีความมีปริญญาสูงๆถึงจะ ป, ปฏิบัติได้คนที่อ่านออกกอไก่ขอไข่ไม่ได้ก็บวชได้ปฏิบัติทำบรรลุธรรมได้ก็มีดังั้นมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของความรู้ทางโลกเอ อยู่ที่ความสามารถว่าสามารถเจริญสติสามารถรักษาสีสามารถปฏิบัติสามาธิปัญญาได้หรือกกว่าคุณก้องครับถ้าหัวหน้าลงโทษพนักงานที่ทำผิดจะเป็นบาปในการปฏิบัติธรรมหรือไม่ขอรับถ้าทำตามหน้าที่ก็ไม่บาปถ้าทำตามตามเหตุตามผลนีก่อนมีระเบียบ ถ้าทำผิดอย่างนี้ก็ต้องถึงลงโทษตัดเงินเดือนเครื่งเดือนนี้ก็ไม่ถึงเนี่เป็นกฎกติกาเหมือนนาเราเล่นกีฬาใะ่ะนั้นเล่นกีฬาเขาก็มีจากใบเหลืองใบแดงอย่างนี้ก็แบบเดียวกันเรื่องของกฎการรักษากฎกติกาให้ผู้ปฏิบัติทำทําให้ถูกต้องจะนั้นไม่สร้างปัญหาให้แ ก, ก่องค์กรคุณเคทีครับ ปฏิบัติมาสามปีวันหนึ่งหายใจรู้สึกท้องพองยุบจิตรวมท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนเห็นอะไรบางอย่างหมุนทวนหนึ่งรอบแล้วอีกขณะความแน่นๆที่ปากฏที่ฐานด้านล่างของจิตก็หายไปมันคืออะไรครับก็คืออาการของจิตอย่าไปสนใจให้รู้ว่ามันไม่เพียงเกิดขึ้นต้องดับไปเป็นสภาวะธรรมที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราสิ่งที่เราต้องการก็คือให้ใจว่างใจนิ่งใจสงบ เป็นผลที่เราต้องการชดภพอย่าง อ, างอื่นี้ไม่ไม่สําคัญไม่เป็นสาระสําคัญมันเป็นก็ไม่ว่ามันเป็นรือว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปหรือว่ามันผ่านไปแล้วมันไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับเราก็มไม่ต้องไปสนใจคุณธนเดชครับกับเรียนพระอาจารย์ครับการช่วยเหลือคนหรือสัตว์ถ้าช่วยแล้วเราทุกตามเขาไม่ดีใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันเกิดความอยากย อยากทำเป็นสิ่งที่เราก็ต้องการทําว่าทําไม่ได้เราก็เลยทุกข์ดันั้นต้องมีเหตุมีผลเราก็ทําไปตามเหตุตามผลเราทําได้เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นถ้าเหนือความสามารถของเราก็ถือว่าเป็นนื่งสุดวิสัยไปเราไม่จะไม่ทุกข์คุณวรพัทน์ครับการนมันศรรการพระอาจารย์ครับได้ยินมาว่าผู้ที่บรรลุพระอรหันต์จะต้องสำเร็จได้ทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติใช่ไหมครับเจโตวิมุตติหมายถึงอะไรครับ คือเจตนวบบรราวิมุตติกับปัญญาวิมุตตินี้ท่านพูดถึงคนที่ปฏิบัตินี้ที่มีความสามารถทางไหนมากกว่ากันคนบางคนที่มีความสามารถทางสมาธิมากนั่นนอกจากเข้าออปัญญาสมาธิได้แล้วยังมีอคัญญาได้ทิพระโมุกคลานะนี่ท่านเก่กงทางด้านสมาธิปัญญาท่านก็มีแต่ท่านมีไม่ไม่มากมีพอที่จะทําทให้ท่านบรรลุตัดกิเลสได้แลรรลุเป็นพระอรหันได้ คือการบรรลุนี้จะต้องบรรลุทั้งสมาธิและปัญญาแต่แต่ผู้ที่มีสมาธิมากก็เลยวิเคราะหเป็นพวกเจตโตเจตวิมุตต์ไปคือมีความสามารถมีความเก่งกาจทางด้านสมาธิอนิจจามเป็นพวกที่มีอภิน ญ, ญาเพราะพุทธเจ้านี้ได้ทั้งสองทางเลยมีทั้งเจตโตและมีทั้งปัญญาพวกปัญญาก็หมายถึงพวกว่าพวกที่ไม่เก่งทางสมาธิเข้าอภปนาสมาธิได้แต่น่าจะไม่มี อภิญญาแต่พวกนี้เก่งทางปัญญาคือมีความฉลาดไหวเพิ่เข้าออกเข้าใจหรือนำหลับธรรมและสามารถนำาม า, ม า, มาอธิบายสัมพอนธคนหนึ่งให้คนหนึ่งเขาเข้าใจได้อย่างง่ายดายอันนี้เรืองขอพวกปัญญามีุตดเก่ทงทังด้านปัญญาเพราะพระพุทธเจ้าไม่เก่งทั้งสองทางเลยเทั้งสมาธิมีอภิญยาเป็นทั้งปัญญาสัมสอนคนให้คนมรรุธรรมได้ อย่างง่ายด้ยแล้วด้วยแต่ทางด้านอักสาวกนี้เก่งคนด้านกันพระสาราดุลนี้พระเจ้ายกย่องให้เก่งทางด้านปัญญาว่าเรื่องปัญญาแล้วไม่มีใครเราจากพระเจ้านอกจากนอกจากพะาระอัสสบุตรเนี่ยเป็นผู้รองจากพระเจ้านอกนั้นจะเหนือกับพระรูปทั้งหมดทางด้านปัญญาในการสาแสดงธรรมในการพูดเรื่องอนิบาลธรรมต่างๆนี้ไม่มีใครจะ เก่งกาลแยกกายเท่ากับพระสาวรินส่วนพระโวกกาเนี่ยคล้ายๆเป็นอักคระสาวกซ้ายคือเก่งทางด้านอภิญญาเรื่องอภิญยาความสามารถเขาเหินเดินต้องการอะไรต่างๆสามารถใช้อภิน ญ, ญานี้ม า, มาสั่งสอนคนให้บรรลุธรรมะคือสสอนให้เขาเกิดในฉันทาวิริยะที่อยากจะปฏิบัติธรรมด้ั่นก็เก่งมาทำผลได้าน เพระเจ้าบอกว่าวทางปัญญานี้ถือว่าสําคัญกว่าทางมรริญญาเลยให้พระสาวิบุตรเป็นอัครสาวกขวาให้พระโมกขารนะเป็นอัครสาวกซ้ายคุณโคเมรครับ น, นิมนตถามลูกอายุสิบเอ็ดถ้าได้ยินคนพูดจาไม่ดีใส่หรือคําพูดหยาบคายใส่ก็รู้สึกหดหู่เอามาคิดกระทั่งเป็นทุกข์มากนอนไม่หลับเลยในทางธรรม จะพาออกจากทุกได้อย่างไรครับกจากขอคําแนะนําครับต้องสอนเขาว่าเราอยู่ในโลกนี้มันมีทั้งคําชมทั้งคาด่าเหมือนกับเป็นเหมือนกับยินฟ้ากันมีทั้งฝลตกบมีทั้งแดดออกเราก็ต้องรู้จักทําใจรับกับทั้งสองอย่างอยไปเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาแต่คําชมแล้วไม่ยอมเอาคําด่าไม่ได้แล้วเราก็จะถุกหลังาตามหลับความจริงให้กับเรา ก็มีคนที่ก็อยากจะดา่าเราบ้างต้องมีคนที่ก็ชมเราบ้างแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ก็เหมือนกับเราห้ามเรื่องฝนตอบด่าออกไม่ได้มันจะตอบเราแล้วก็ห้ามเราไม่ได้จะตอบเราก็ห้ามเราไม่ได้แต่เราอยู่กับเขาได้เรายอมรับเขาแล้วเราก็ดีกับเขาได้คุณวันทนีครับเมื่อบ่ายนั่งสมาธิฟังธรรมะหน้ากุฏิ พระอาจารย์ไม่มีเวทนารู้สึกสบายสงบโดยการตามลมหายใจแต่ยังได้ยินเสียงพระอาจารย์ตลอดเวลาจนจบแบบนี้ถือว่าเราได้เข้าถึงการภาวนาหรือไม่เจ้าคะก็ได้ภาวนาอยู่แลนะจิตขอเราก็มีความสงบความสบายในระดับหนึ่งแต่ยังอาจจะไม่ถึงเข้าระดับเต็มร้อยเพราะยังยังฟงังมีเสียงที่รับฟังอยู่แต่ว่าเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดหรืออะไร เพรใจเรานี่ไม่ได้อยู่กับร่างอยู่ที่ร่างกายใจเราอยู่กับการฟังธรรมอยู่กับการดูลงไปแสดงว่าเรามีสติอยู่ต่อเ น, นื่องเนี่ยคนบางทีเวลานั่งสมาธิตามลาพังนั่งไม่ได้ถึงชัวง่วโมงแต่พอม า, าฟังธรรมนี่นั่งได้แดยที่ไม่ข ย, ยันเลยคุณไวย์เอ็ทครับมีวิธีการนั่งสมาธิได้นานๆไหมคะก็ต้องฝึกสติให้มากๆฝึก ส, สติก่อนที่เรามานั่ง พยายฝึกสติตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็ใช้ท่าพุทโธพุทโธไปหรืว่าเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายว่ากําลังทํำอะไรอ ย, อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้เรื่อง น, น, นี้ถ้าทำานี้ได้เวลานั่งสมาธินี้จะนั่งได้ง่ายและล่างเข้าได้นนงได้เร็วคุณตะวันครับสอบถามผู้รู้หรือใจเวลาร่างกายแต่สลายแล้วผู้รู้หรือใจจะไปไหนต่อครับ ผู้รู้หรือใจนี้ไม่ไม่ได้เคลื่อนไหวพู้รู้หรือใจนี้อยู่ที่เดิมอยู่ในโลกทิพย์เพียแต่กระแสการติดต่อกันจะถูกตัดออกจากกันคือกระแสของวิญญาณที่มาเกาะที่ที่ตาของจมูกดินกาก็จะหดกลับเข้าไปในใจก็ยัง อ, อยู่ในโลกทิพย์แล้วก็จะอยู่กับความฝันฝันดีหรือฝันไม่ดีขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่เราทําไปถ้าเราทำบาปไว้มากกว่า บ, บุญเราก็จะฝันไม่ดี ก็เรียกว่าอบายหนึ่งดอลล์ถ้าเราทําบุญมากกว่าทำบาปเราก็จะฝันดีเขาเลย่าสอนพ อ, อเราหยุดฝันเราก็จะมาส่กระแสมาเกอะติดกับร่างกายอีกหน่วยเกิดใหม่ต่อแา่ใจไม่ได้เคลื่อนไหวใจอยู่กที่เนี่ยเพราะใจไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีขนาดยิ่งกว่าจี้ยิ่งจะไปบอกว่าใจเคลื่อนจากตรงนี้ไปตรงนั้นไม่ได้ที่เคลื่อนก็คือสภาวะของใจที่เคลื่อนจากจากสวรรค์ไปดอลล์นี้ก็เป็นการ เคลื่อนของการสภาวะของใจจากร้อนจากเย็นไปร้อนหรือจากร้อนมาเย็นอย่างนี้แต่ตัวใจนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวใจอยู่นิ่งอยู่กับที่เพราะใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายใจเป็นความว่างเราจะไม่ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ะเหมืนอนดูท้องฟ้าที่เราบอกท้องฟ้ามันเคลื่อนไหวได้แล้วเปล่าท้งฟ้าอยู่ของมันอยู่อย่างนะตลอดเวลาทุกครั้งที่เรามองขึ้นไปมันท้องฟ้าก็จะเห็นท้องฟ้าอยู่กับที่เนี่ย แต่สิ่งที่อยู่ในท้อฟ้านึ้นเปลี่ยนได้บางทีก็มีมีหมอกแบ่งเป็นน้อบางทีก็ไม่มีเมฆใจเราก็เป็นอย่างนั้นใจเราก็เหมือนท้อฟ้าาว่าแต่ก็มีการมีมีเมฆมีหมอกมีอารมณ์ต่างๆเปลี่ยนไปเปลี่นมาคุณบารครับผมมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติผมเริ่มปฏิบัติด้วยภาวนาพุทโธมาได้สักระยะหลังจากนั้นก็เริ่มพิจารณาสุภะจนมองเห็นตัวเองและคนอื่นเป็นโครงกระดูก หลังจากนั้นเริ่มเข้าใจสิ่งภายนอกไม่มีสาระในขณะที่เข้าใจสิ่งรอบข้างจู่ๆจิบย้อนมามองดูตัวเองตั้งดูเป็นแบบนี้เหมือนกล่องเปล่าครับเกิดการดูสิ่งต่างๆเพื่อใหเราปล่อยวางให้เราเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าราคาเลยมันเป็นทุกข์ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆถ้าเราไม่เกี่ยวข้องได้เราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆ เพราสิ่งต่างมันแปรปวนมันเปลี่ยนแปเปลี่ยนมาแ ล, แล้วเราก็บังคับควบคุมบังคับมันไม่ได้้างหมายต้องการปฏิบัติเพื่อให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางไม่ไปยุ่งเกี่ยวอยู่แบบไม่มีอะไรไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับตนคุณสิทธิโชครับ ปกติผมจะเป็นตัวแทนนําอาหารไปทําบุญโดยที่สมาชิกในครอบครัวจะฝากอาหารไปทําบุญโดยที่ต้องไปทํางานจะทําอย่างไรให้สมาชิกในครอบครัวได้บุญเสมือนว่าได้ไปทําบุญด้วยตนเองครับก็เขาก็ต้องไปทําเองไม่มีวิธีเสมือนนะแต่การฝากไ ป, ปานี้ถ้าเขาเป็นของของเขาก็เขาก็ได้บุญส่วนที่เป็นการเสีรรยสละแล้วส่วนที่เขาไม่ได้ก็คือ การการเคลื่อนไหวการความเพียรวิริยะเราจะไม่ได้บุญส่วนนั้นเพราะเขาไม่ได้ทำเองเขาให้คนอื่นทำแทนคนนี้ไปทําแทนก็จะได้บุญส่วนนั้นคือวิริยะได้ความเพียรตามสุดท้ายครับรอาจารย์ครับคุณธีรนัยครับสอบถามพระอาจารย์ครับเมื่อนั่งสมาธิแล้วกาลังจะนอนอยู่ก็เกิดก้อนกลมๆใสๆเท่าฝ่ามือหมุนๆสว่างมาก หมุนเป็นโคงจักแล้วความรู้สึกร่างกายค่อยๆหายไปไม่มีร่างกายก้อนกลมๆไหลจากท้องเดี๋ยวมีต่อตรงนี้นะครับอาจารย์ครับก็ให้เห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วระดับไปไม่มีสาระอะไรมันถ่านแล้วก็ปั่นมันถ่านได้อาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังทำด้วยกันนะครับใน f ฟ c e b o o เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน ในยูทูบแปดร้อยเจ็สบเก้าคนในกลับเฮายี่สิบสี่คนวันนี้มีเพื่อนเพื่อฟังทาด้วยกันหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบหกคนนะครับอาจารย์ยินดีกัแบบทุกท่านที่เข้ามาเริม่มฟังกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากแตน้อยสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรเก็เวลาอขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญข้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ สาธุพระคุณรคุณบอกแนละ้วท่านผู้ชมผู้ผ่านไว้ผิดคำนี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันในค่ำหน้าคือวันอาทิตย์หน้าขอใจะเจริญพรครับกลับกับพระคุณพระอาจารย์ครับ